คบผู้เขารพโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดำรุ่นที่หนึ่งต้องข อ, อกราบขอบคุณท่านทจ้ดีมอย่างสูงครับที่ได้เป็นผูนประธานในพิธีเปิดเพื่อเป็นเกียตรติฉะนั้นในช่วงต่อไปนี้ครับเป็นห่วงเวลาที่สาคัญทีเดียวสำหรับการฟังบรรยายสิ่งดีๆที่เราจะนำไปประยุกใช้กับการทำงานสำหรับ อ, อ, อาชีพนักบาบัด อย่างพวกเรานะครับกระผมขออนุญาตเอ่ยถึงประวัติท่านวิทยกรพอสังเขปครับท่านคงรู้จักท่านนักอ่านทุกท่านคงรู้จักในนาป ก, กาดังตรินเจ้าของผลงานวรรณกรรมชื่อดังเสียดายคนตายไม่ได้อ่านและผลงานเขียนที่น่าสนใจเละอื่นอื่นอีกมากมายอาทิเช่นกรรมพยากรทางนฤิภานคิดจากความว่างรักแท้มีจริงและ วิปัสนาอนุบาลเป็นต้นท่านมีแรงบันดาลใจในห่วงของเวลาที่ท่านเรียนอยู่ชั้นมัธยมที่หครับคืออยู่เฉยๆแล้วลองวิปัสนาขึ้นมาอยากอยากจากวิปัสนาขึ้นมาจึงไปซื้อหนังสือแล้วประกอบด้วเตือนหนังสือวิธีธ ร, รมสมาธิและวิปัสนาของพระอาจารย์ทำรักษาเพียงราคาเล่มละ20บาทแต่มีค่ามากแล้วก็ได้คําตอบกับชีวิตเลยว่า ชีวิตที่เหลือจะดำเนินแนวทางนี้หลังจากนั้นเป็นต้นมาท่านอาจารย์ใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์มานานกว่า20ปีเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่รู้และคิดว่าดีให้แก่บุคคลทั่วไปโดยเน้นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาถ่ายทอดด้วยพรสวรรค์ในด้านการเขียนที่ท่านชอบตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ประถมศึกษาตอนปลายวันนี้ ท่านให้เก็บเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อผ ล, ลกรรมของการเปลี่ยนชีวิตผู้อื่นกระผมเชื่อว่าประโยชน์จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำ ง, งานได้ไปอย่างดีโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สรันไมตรีเวทครับ ก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับท่านผู้เป็นความหวังของประเทศชาติอย่างที่ท่านพานิชได้เอ่ยแล้วนะว่าทุกท่านในที่นี้มีความสําคัญมีบทบาทที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกลุ่มย่อยชนที่เป็นอนาคตซึ่งเดิมไม่ดีนะเป็นอนาคตที่ไม่ดีเป็นอนาคตที่มืดเป็นอนาคตที่ อาจก่อความวิบัติให้กับชาติได้ให้กลายเป็นอนาคตที่มีความสว่างอนาคตที่เป็นความหวังอนาคตที่จะเป็นความสร้างสรรค์ต่อไปนะวันนี้ผมมาในฐานะทีออ่อยากจะเรียกว่าเป็นผู้ให้กําลังใจก็ได้หรือว่าอยากจะเป็นผู้ชี้ความจริงก็ได้ว่าสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่เนี้ย ทำไปแล้วจะได้อะไรเพราะว่าคนเรานะถ้าตอบตัวเองไม่ได้ว่าทำไปแล้วจะได้อะไรให้ไปแล้วจะได้อะไรช่วยไปแล้วจะได้อะไรมันจะเหนื่อยไปทำไมถ้าหากว่าเรามาพูดกันเรื่องผลของกรรมนะฮะที่จะไปเปลี่ยนชีวิตของผู้อื่นเอาพูดแบบที่สามารถเห็นได้เป็นอนุประธรรม พูดแบบที่เราสามารถเห็นเข้ามาได้ในตัวเองาะมันเป็นความจริงกำลังใจมันจะเกิดขึ้นเองกำลังใจในที่นี้ไม่ใช่การปลอบประโลมไม่ใช่การมายกยอ่อสรนเสริญกันไม่ใช่การมาบอกว่าคุณจะได้รางวัลอย่างนั้นอย่างนี้แบบที่มันเป็นสวรรค์เบ็ดเสร็จหรือว่าเป็นทิพยวิมานที่รออยู่ในอนาคต แต่ถ้าหากเราสามารถส่องเข้ามาสํารวจเข้ามาแล้วเห็นความสว่างหรือว่าเห็นความสุขอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวในปัจจุบันได้แหนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่กำลังใจแบบชั่วคราวแต่จะเป็นฐานกำลังของชีวิตที่คุณจะรู้สึกเต็มใจที่จะทําอยู่ตรงนี้ที่จะอยู่ตรงนี้ต่อไป ด้วยไฟไม่ใช่ด้วยอารมณ์เบือ่อเอาแหละเรามาเริ่มนะคำว่าผลกรรมของการเปลี่ยนชีวิตผู้อื่นเนี่ยถ้าไปหาดูถ้าไปเสิร์ตัวในอินเทอร์เน็ตคุณอาจจะไม่พบคำนี้แต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะนึกถึงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะในชีวิตของผู้ที่ที่ตัวเอง เปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นให้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นครูเปลี่ยนเด็กที่ไม่รู้ให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รู้หมอเปลี่ยนคนไข้ให้กลายเป็นคนหายไข้ให้กลายเป็นคนปกตินะหรืออย่างพวกคุณคือพวกที่เปลี่ยนคนไม่ดีให้กลายเป็นคนดีเปลี่ยนอนาคตที่มืดบอด ของชาติให้กลายเป็นอนาคตที่สว่างของชาติคือเรายังไม่ต้องไปพูดนะว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้แต่ถ้าคุณอยู่ตรงนี้คุณมีฐานะนั้นแล้วแล้วเรามาดูกันว่าผลกรรมนะที่สามารถทำความเข้าใจกันได้ที่สามารถเข็นกันได้มันคืออะไระคุณนึกถึงผลกรรมของครูดีด ส่วนใหญ่คุณจะนึกถึงครูที่มีเด็กนักเรียนเป็ดเยอะนะมีลูกศิษ์ลูกหาให้ความเคารพรักมากๆหรือว่าเป็นคนที่เดินเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าเออคนนี้น่ายำเกรงหรืออย่างหมอนะคุณจะรู้สึกได้บางคนนะหมอบางคนเนี่ยคุณไปอยู่แค่ใกล้ ๆ, ๆรู้สึกว่าโรคหรือว่าไข้เนี่ยมันลดลงนิดหนึ่งแล้ว มันรู้สึกสบายขึ้นแล้วนั่นไม่ใช่อุปทานนะบางคนเนี่ยที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ทันทีเนี่ยมันเป็นเพราะกระแสอะไรบางอย่างมันเป็นคลื่นกระทบอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเกิดความรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจหรือกระทั่งมีอาการผ่อนคลายทางกายนะอยู่ใกล้บางคนเนี่ยคณรู้สึกว่าผ่อนคลาย สบายเนื้อสบายตัวเบาเนื้อเบาตัวลงนั่นเป็นเพราะว่าคลื่นความสงบหรือว่าลักษณะของจิตใจกระแสของจิตของเขาเนี่ยทำให้คุณเกิดความรู้สึกรีแล็กซ์ขึ้นในขณะที่บางคนเนี่ยคุณเข้าไปเจอหน้าปุ๊บเนี่ยเกรงเนื้อเกรงตัวขึ้นมาทันทีนะเกิดความรู้สึกเหมือนขนลุกขนชันมันก็ไม่ใช่อุปทานนะแต่มันเป็นตัวตนของเขาจริงๆ มันเป็นคลื่นอะไรบางอย่างจากชีวิตของเขาที่มากระทบกับชีวิตของคุณพลังชีวิตของคุณอย่างเวลาที่คุณไปที่วัดไปเจอพระที่ดีไปเจอพระที่รู้สึกว่าเนี่ยท่านมีความสงบท่านได้ปฏิบัติอะไรบางอย่างมาแล้วคุณมีความรู้สึกราวกับว่าหอบความสุกก้อนใหญ่กลับบ้านไปด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าแค่มาพูดแค่มาฟัง กับท่านแค่สิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเหมือนติดหนี้บุญคุณท่านแล้วนั่นก็ไม่ใช่อุปทานนะฮะการที่อยู่ใกล้ใครบางคนแล้วรู้สึกมีความสุขขึ้นทันทีหรือกระทั่งว่ารู้สึกว่ามีบุญได้บุญกลับบ้านมันเหมือนกับได้ไปติดหนี้ท่านจริงๆติดหนี้บุญคุณท่านเพราะว่าเราได้เอาส่วนบุญส่วนที่มัน มีอยู่เหลือเฟือในตัวท่านเนี่ยนะมาไว้ในใจเราด้วยมาเป็นความสว่างให้กับใจเราด้วยอันนี้ก็เหมือนกันที่เรากำลังจะพูดกันวันนี้ผมพูดถึงสิ่งที่นะคำว่าผลกรรมเนี่ยพูดถึงสิ่งที่เรารู้สึกได้ด้วยตัวเองถ้าหากว่าทำสำเร็จหรือถ้าหากอยู่ตรงนี้นานพอเนื้อหาขอบเขตนะจะมีอยู่ 2ประเด็นใหญ่ๆคือเรื่องของผลของกรรมแล้วอีกอันหนึ่งคือเรื่องของพลังในการเปลี่ยนแปลงคําว่าพลังในการเปลี่ยนแปลงนี้ขอให้คุณนึกถึงใครบางคนนะที่แค่นึกถึงนะรับภาพของเขามาปรากฏในใจคุณเนี่ยคุณจะนึกถึงการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างหรือการเปลี่ยนแปลงในวงแคบถ้าเขาปรากฏตัวที่ไหนมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาที่นั่น อันนี้แหละที่ผมพูดถึงพลังในการเปลี่ยนแปลงนะถ้าหากว่าคุณยังไม่มีรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงวันนี้ก็จะามาแนะนำวิธีที่น่าจะได้ผลสำหรับคนส่วนใหญ่นะอย่างน้อยที่สุดถ้าหากว่าเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ไปแล้วกันเมื่อเปลี่ยนชีวิตใครหลายๆคนอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้บ้าง ขอเขตที่ผมจะพูดวันนี้นะจะเหมารวมทั้งชีวิตนี้แล้วก็ชีวิตหน้าสําหรับชีวิตนี้มันจะมีอยู่ห้าประเด็นนะที่อยากจะชี้เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้เลยว่าอารมณ์จะเริ่มเปลี่ยนไปวิธีนึกคิดจะเปลี่ยนตามมานะแล้วสภาวะของจิตมันก็จะมีผลด้วยนะครับตลอดจนตอ่อได้ แล้วถึงมาพูดกันเรื่องของชะตาชีวิตที่มันจะไม่เหมือนเดิมส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงผลของกรรมเราจะนึกว่ามีชะตาที่เปลี่ยนแปลงทันทียกตัวอย่างเช่นถ้าไปทําบุญที่วัดขอแก้ชะตาขอสะดาเคราะหรือว่าอยากจะให้โชคดีนะได้ถูกลอตเตอรี่ถูกหวยหรือว่าจะให้ผลบุญเนี้ยได้ ตัดใครบางคนทิ้งหรือว่าถีบใครบางคนกระเด็นออกจากชีวิตเราส่วนใหญ่ไปคิดกันซะอย่างนี้มันเลยไม่เกิดความเชื่อไม่เกิดความเลื่อมใสว่าผลของกรรมมีจริงแต่ถ้าหากว่าคุณได้ส ำ, สำรวจเข้ามาแล้วพบว่านะความเปลี่ยนแปลงเนี่ ย, ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากการสะสมกรรมประเภทหนึ่งๆเป็นเวลานานพอกระทั่งอารมณ์คุณเปลี่ยน นะวิธีนึกคิดเปลี่ยนสภาวะทางใจต่างไปเป็นปกตินะคือไม่ใช่เปลี่ยนแค่ประเดียวประเด๋วนะแล้วก็ความรู้สึกเกี่ยวกับออร่าของตัวเองนะมันมันเริ่มต่างไปจากแต่ก่อนเป็นคนละคนเนี่ยอันนั้นแหละชะตาชีวิตถึงจะเริ่มมีอะไรที่คุณสังเกตได้ว่ามันผิดไปจากเดิมจากนั้นพอทุกอย่างเปลี่ยนไปนะในชีวิตนี้มันอะไรขึ้นมาบางอย่าง ที่คุณรู้สึกได้ชีวิตหน้าก็สามารถคาดหมายได้เช่นกันอย่างเวลาคนใกล้ตายเนี่ยนะคนที่ไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตรุ่มรุมดอนดอนถือว่าดีบ้างชั่วบ้างนะตัดสินใจช่วยบ้างตัดสินใจดูดายบ้างมันจะมีความแว่งถ้าคุณเคยอยู่คนอยู่กับคนใก้จกจากโลกนี้ไปนะมาหลายๆคนนะ คุณจะเห็นความแตกต่างพวกหมอเนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นความแตกต่างของคนไข้ระยะสุดท้ายคนไข้ระยะสุดท้ายบางคนเนี่ยอารมณ์แปรปรวนมากนะคือเต็ไมไปด้วยความหวาดกลัวเต็ไมไปด้วยความกลัวตายคือหวาดกลัวเนี่ยหวาดกลัวสิ่งที่มันรอยอยู่ข้างหน้าได้ความรู้สึกเสียดายสมบัติเสียดายบุคคล น, นั้นเป็นที่รักนั่นนง่ก็ผสมรวมอยู่ด้วย แต่อะไรทั้งอื่นทั้งทั้งหลายทั้งปวงนะที่ยิ่งกว่าอะไรอื่นเนี่ยก็คือความรู้สึกไม่อยากตายเพราะไม่แน่ใจว่าตายไปแล้วเนี่ยมันจะยังดีๆแบบนี้หรือเปล่ามีเนื้อมีหนังแบบมนุษย์หรือว่าจะต้องไปมีอะไรตะปุ่มตะปำนะเหมือนที่เห็นในฝันแต่ถ้าหากว่าจิตใจมีความมั่นคงจิตใจสภาวะของจิตใจมีความสว่างมีความอบอุ่นอยู่กับตัวเองนะจะไม่กลัวตาย มันไม่รู้จักลัวตรงไหนเกิดความรู้สึกสบายใจว่าถ้าตรงนี้ดีถ้าตรงนี้สวา่างถ้าตรงนี้มีความรู้สึกปลอดโปร่งมันเดาได้มันประมาณถูกมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองว่าถ้าสิ้นสภาวะแบบนี้มีเนื้อมีหนังแบบมนุษย์อย่างนี้ไปเนี่ยนะข้างหน้ามันไม่ตกต่ำไปกว่านี้แน่ ขอแค่ที่ใจมันมีความรู้สึกสว่างพอมีความรู้สึกอบอุ่นพอกวแล้วกันอันนี้ผมก็จะพูดครอบคลุมไปถึงผลของกรรมที่เกิดจากการที่คุณไปเปลี่ยนชีวิตคนอื่นให้ดีขึ้นนะว่าชีวิตข้างหน้ามันจะมีอะไรเป็นผลเป็นรางวัลนะก็จะเริ่มตั้งแต่พ่อแม่นะถ้าหากว่า เรพิจารณาว่าชีวิตเริ่มต้นขึ้นโดยพ่อแม่และทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนก็เริ่มลังเลนะว่าชีวิตเริ่มต้นที่พ่อแม่จริงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวจะพูดครอบคลุมด้วยมีพ่อมีแม่แล้วมีความเป็นมนุษย์แล้วมันต้องมีรูปร่างหน้าตาอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งซึ่งความแตกต่างเนี่ยนะฮะมันชี้ได้ค่อนข้างชัด ยังคนที่ไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมเนี่ยก็มีทางเดียวที่จะพูดก็คือว่าเป็นความบังเอิญหรือเป็นความผิดของพ่อแม่ทั้งทั้งที่พอไปสำรวจดูดีๆนะคุณจะพบว่าบางทีพ่อแม่เนี่ยหน้าตามไม่ดีนะแต่ลูกกลับออกมาหน้าตาดีรูปร่างนี่สูงสง่าทีเดียวมันอะไรมันความผิดหรือความชอบของพ่อแม่แน่หรือนะเอาละพอพูดถึงสิ่งที่ เป็นอะไรในชาติหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ต้องจินตนาการกันมากหรอกเราเรามานึกเนี่ยนะเราต้องมีพ่อมีแม่กันทุกคนมีรูปร่างหน้าตาแบบหนึ่งกันทุกคนนะแล้วก็ต้องมีฐานะมีสิ่งแวดล้อมคนนึกถึงใครบางคนคุณนึกถึงตัวเขาเดี่ยวๆไม่ได้ร่างกายหน้าตาของเขาเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในตัวตนของเขาแต่จริงๆแล้วสิ่งแวดล้อม ร่างกายนั้นนะหรือว่าสภาพแวดล้อมของจิตวิญญาณแบบนั้นเนี่ยมันต้องมีอยู่ด้วยคุณจะนึกถึงบ้านของเขานึกถึงพาหนะที่เขาใช้เดินทางนึกถึงชะตาชีวิตนะหรือว่าสติปัญญาอันนี้เราก็จะพูดครอบกลมไปด้วยนะครับว่าถ้าหากเราทำหน้าที่นี้อยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นผลาตามมา เอาละมาเริ่มต้นกันตั้งแต่สิ่งที่มันเห็นได้ในขณะนี้เลยผมไม่รู้หรอกว่าบกคุณเริ่มต้นเท่าที่ทำงานในสถานพินิษ์เป็นส่วนหนึ่งเป็ น, นกลไกหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรมีแรงจูงใจแบบไหนที่พาพวกคุณเข้ามาแต่ผมรู้อย่างหนึ่งและรู้จริงๆก็คือว่า ถ้าคุณทำสำเร็จถ้าคุณสามารถเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กบางคนหรือหลายๆคนได้ด้วยความสามารถของคุณนะด้วยความตั้งใจของคุณนะไม่ใช่ด้วยความบังเอิญไม่ใช่ด้วยการทำตามคาสั่งอย่างเดียวนะแต่ด้วยกำลังใจของคุณเองด้วยเจตจำนงของคุณเองสิ่งแรกที่มันจะเป็นสัญญาณบอกความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณก็คืออารมณ์ ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันจะมีความสุขมากขึ้นมันจะมีความนุ่มนวลจิตใจเนี่ยจิตใจของคนนที่บอกว่าแข็งกระด้างบ้างนุ่มนวลอ่อนโยนบ้างเนี่ยมันเป็นความรู้สึกทางใจที่คุณซึ่งเป็นเจ้าของจิตใจเนี่ยนะจะรู้สึกก่อนคนอื่นอย่างเวลาที่รู้สึกแข็งแข็งรู้สึกกระด้างตอนที่เกิดความโกรธตอนที่เกิดความเกลียด ตอนที่เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจตอนที่รู้สึกอยากจะแข็งขืนแข็งข้อไอ้ความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยนะถ้าคุณเอามาเป็นตัวตั้งในการเปรียบเทียบคุณจะพบว่าความรู้สึกอ่อนโยนอันได้จากการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นเนี่ยมันต่างกันเป็นคนละเรื่องเลยมันมันจะเหมือนกับมีไม้อะไรแข็งๆไปดามในใจคุณอยู่ก่อนถ้าจิตใจคุณแข็งกระด้างนะ แล้วพอจิตใจของคุณอ่อนโยนลงมันจะรู้สึกว่าไอ้อะไรแข็งแข็งนั้นเนี่ยมันถูกถอดถอนออกไปมันกลายเป็นความรู้สึกสบายๆมันกลายเป็นความรู้สึกเย็นเ็นมันกลายเป็นความรู้สึกว่าเอออยู่เฉยๆก็มีความสุขได้มันแตกต่างจากตอนที่คุณไปเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นให้มันแย่ลงยกตัว อ, อย่างเช่นไปด่าเขาทุกวันให้เขาเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจให้เขาเกิดความเจ็บปวดผลเนี่ย คืออาจจะเป็นความสาใจที่คุณมีบทบาทที่คุณมีความสามารถจะไปกดขี่เขานะแต่ในความสาใจนั้นถ้าส่องสํารวจดูคุณนั่งอยู่เฉยเฉยมันจะพบอยู่อย่างหนึ่งว่าจิตใจของคุณเนี่ยมีความกระด้างมีความแข็งซึ่งคนที่ต้องได้รับผลจากการเปลี่ยนชีวิตผู้อื่นให้มันแย่ลงเนี่ยก็คือคุณเอง24ชั่วโมงคุณจะต้องอยู่กับจิตแข็งแขง แต่ถ้าหากว่าคุณมีความสามารถที่จะเปลี่ย น, ปยนแปลงชีวิตคนอื่นไม่ใช่แค่คนสองคนแต่เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องทํากับคนไม่เลือกหน้าเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างแล้วเช่นครูเช่นหมอแล้วก็พวกคุณเนี่ยแนะที่จะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเปลี่ยนชั่วให้เป็นดี ถ้าทำสำเร็จหรือถ้าทำอยู่นานพอมีความพยายามอยู่นานพอถึงแม้ว่าจะไม่ได้สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นแต่จิตใจของคุณเนี่ยจะรู้สึกอ่อนโยนลงแต่ถ้าคุณอยู่ตรงนี้โดยไม่มีไฟแล้วใจมันไม่มีความพยายามมันไม่มีอาการเล็งอยู่ว่าเราจะลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตใครบางคนมันก็จะไม่เกิดอารมณ์นี้แบบนี้นะ ไอ้ความรู้สึกอ่อนโยนไอ้ความรู้สึกว่ามีความสุขจากใจที่มันนุ่มนวล น, นี่คือข้อแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนและสามารถที่จะเอามาบอกได้ว่านี่คือผลกรรมในระยะเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตผู้อื่นให้ดีขึ้นอันดับต่อมาพอมีความรู้สึกอ่อนโยนพอมีความรู้สึกว่าใจมันนุ่มนวลใจมัน มันมีความเต็มนะฮะที่จะช่วยคนอื่นมีความเต็มใจที่จะช่วยคนอื่นวิธีนึกคิดของคุณมันจะต่างไปจากเดิมคนเราเนี่ยเริ่มต้นชีวิตขึ้นมาเนะี่ยมักจะคิดเข้าตัวมักจะคิดเอาเข้ามานะไม่ใช่ให้ออกไปไม่ใช่มีความรู้สึกคิดจะยิดย่นอะไรให้กับคนอื่นก่อน แต่พอจิตใจของคุณนะพออารมณ์พออารมณ์ของคุณเริ่มนุ่มนวลเริ่มมีความรู้สึกอ่อนโยนมันจะมีความคิดแปลกแปกแตกต่างไปจากเดิมขึ้นมาคือไม่เอาเข้ามาก็ได้อันนี้ให้ออกไปก็ดีรู้สึกว่ามันดีกว่ารู้สึกว่ามันสบายใจกว่ารู้สึกว่ามันมีความสุขมากกว่าตรงวิธีคิดที่แตกต่างไปเนี่ยนะผมไม่ได้หมายถึง ความฉลาดในการช่วยเหลือคนไม่ได้หมายถึงความฉลาดในการคิดว่าจะจัดการกับเด็กคนนี้ยังไงดีแต่หมายถึงวิธีคิดทั่วทั่วไปปกติเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยมีความคิดของตัวเองเป็นศัตรูมีความคิดของตัวเองเป็นเครื่องรบกวนอยู่ตลอด24ชั่วโมงคุณเคยแหมลำคานความคิดตัวเองบอกว่าคิดเรื่องนี้จบไปแล้วทำไมมันย้อนกลับมาอีก หรือว่าคิดเรื่องนี้นะรู้สึกว่าเห็นดีเห็นงามไปแล้วนะแต่กลับมีความคิดอีกกระแสนึงนะในช่วงเวลาต่อมาไม่นานอาจจะเป็นชั่วโมงถัดมาหรือวันถัดมาเนี่ยมาค้านว่าไอ้ไอสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ดีมันไม่งามมันไม่ชอบยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าจะอภัยหรือไม่อภัยบางคนเนี่ย ตอกลงใจไปแล้วเออเรื่องแค่นี้ไม่ต้องถึกษาก็ได้แต่อีกชั่วโมงหนึ่งขึ้นมาอารมณ์มันปดขึ้นมาเฉยๆเดือดปวดๆขึ้นมาบอกว่าไม่ได้ยอมไม่ได้เราต้องกลับไปเอาคืนไอ้วิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดของคนที่มีโทสะเป็นพื้นยืนเป็นวิธีคิดแบบที่กลับไปกลับมาได้ราวกับเป็นคนละคนแต่ถ้าหากคุณมีความสามารถและคุณทาจริงนะที่จะเปลี่ยนชีวิตคนอื่น ทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นเนี่ยมันจะมีความรู้สึก อ, อ่อนโยนเกิดขึ้นมาและไอความรู้สึกอ่อนโยนเนี่ยมันจะทําให้วิธีคิดของคุณมันแตกต่างไปโดยที่คุณไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนแล้วไม่ได้พยายามอะไรเลยนะถ้าวิธีคิดเปลี่ยนนะกรรมคุณเปลี่ยนทันทีเพราะว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเราเรากล่าวว่ากรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรม คนเราคิดแล้วจึงพูดคิดแล้วจึงทำถ้าหากวิธีคิดของคุณเปลี่ยนเปลี่ยนจากวิธีคิดโดยยืนพื้นอยู่บนโทสะแบบกลับไปกลับมานะกลายเป็นวิธีคิดในแบบที่พร้อมจะให้อภัยไม่ถือสาถ้าหากว่ามันไม่ไม่หนักหนาเกินไปนะแปลว่าคุณอยู่บนเส้นทา ง, ทางกรรมที่แตกต่างอยู่บนเส้นทางความเจริญที่มันมีความสว่างเห็นเห็นนะเห็นอยู่ในปัจจุบันและเห็นในอนาคต นี่คือสิ่งที่จะเป็นผลตามมานะอ่าอันนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของอารมณ์ก่อนท่างนี้พูดถึงวิธีนึกคิดถ้าหากว่าคุณไปพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงใครแล้วมันไม่สําเร็จอย่างน้อยที่สุดนะวิธีคิดของคุณเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแล้วคือคือแทนที่จะคิดเอาเข้าตัวเนี่ยมันคิดเออ่จะให้คนอื่นแล้วนะ แต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนสําเร็จมันเกิดความภูมิใจขึ้นมามันเกิดความแน่นอนขึ้นมาลักษณะของจิตใจลักษณะอารมณ์ที่มันมีความมั่นคงขึ้นเนี่ยก็จะทําให้วิธีคิดของคุณมันมีความมั่นคงตามไปด้วยซึ่งเป็นตรงข้ามกับการคิดในแบบที่จะทําให้คนอื่นแย่ลงซึ่งมันไม่ต้องฝึกนะไม่ต้องมีหน้าที่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อารมณ์ของคนเนี่ยที่มันร้ายอยู่ที่พร้อมจะร้าย มันพร้อมจะผลิตความคิดแย่ๆออกมาทำให้โลกนี้แย่ลงอยู่แล้วจากนั้นพอคุณเริ่มรู้สึกถึงความคิดที่แตกต่างนะแต่ลรวันตื่นขึ้นมามีความคิดที่มันอ่อนที่เกิดขึ้นจากอารมณ์อ่อนโยนมีความคิดในทางเมตตาในทางที่พร้อมจะให้อภัยในทางที่อยากจะให้คนอื่นก่อนนะ สิ่งที่จะตามมาเป็นผลลำดับต่อมาก็คือสภาวะจิตตัวสภาวะจิตผมพูดถึงความสามารถในการรับรู้ความสามารถในการารู้สึกรู้ษาเกี่ยวกับตัวเองคุณลองสังเกตดูนะถ้าหากว่าคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับอารมณ์ที่สดชื่นพร้อมกับอไอความคิดดีๆนะสภาพจิตใจของคุณวันนั้น มันจะมีความสดใสมันจะมีความสว่างมันจะมีความเบิกบานลักษณะความเบิกบานมันจะพูดถึงประสบการณ์ภายในก็คือมีความสว่างมีความกว้างบางคนบอกว่าถ้านึกถึงจิตใจที่สว่างนึกไม่ออกนะขอให้นึกถึงจิตใจที่โปร่งเบาที่สบายที่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมาบดบงังไม่มีอะไรมาบล็อกความคิดไม่มีความรู้สึกเหมือนกับพร้อมจะหน้ามืด ตตอตอบกับโลกแบบหุนหันพันแล่นนั่นแหละคือลักษณะของจิตที่มีความสว่างนะการที่คุณอยู่ตรงนี้แล้วสามารถจะเปลี่ยนชีวิตคนจำนวนมากๆนะให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ถ้าทำสำเร็จนานๆเนี่ยความสว่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่คุณไปตั้งใจ ขยายความสว่างมันขึ้นมาหรือเพิ่มความสว่างมันขึ้นมาได้นะแต่เป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่คุณไปทำให้โลกนี้มันมันดีขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบย้อนมามีผลกระทบกับความสว่างของจิตคือจิตเนี่ยถ้าหากว่ามันอยู่ตรงจุดที่ได้ทำอะไรดีๆไปนานๆเข้าเนี่ยสภาพของจิตจะมีความเป็นกุศล แล้วเมื่อไหร่ที่ความกุศลความเป็นกุศลนั้นมีความตั้งมั่นขึ้นมาคุณจะรู้สึกถึงสภาวะของจิตใจที่เป็นฐานที่ตั้งของอะไรดีดนะอย่างเช่นความความตั้งใจดีเนี่ยลองสำรวจ ด, ด, ดูบางคนมีความรู้สึกว่าตัวเองตั้งใจดีๆอะไรวันนี้แต่พรุ่งนี้มันเกิด ความรู้สึกว่าไม่อยากจะตั้งใจดีๆแบบนั้นอีกแล้วเนี่ยถ้ า, าสำรวยเข้าไปมันเหมือนกับว่าจิตใจของเราไม่มั่นคงหรือว่าความตั้งใจของเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอคําอธิบายที่ดีที่สุดก็คือสภาวะที่มันเป็นฐานให้กุศลธทำนะมันมีที่ตั้งเนี่ยมันไม่มั่นคงพอ ลักษณนะของฐานกุศลธรรมนะที่มันจะมีความตั้งมั่นมากพอเนี่ยก็คือการได้ทํากรรมอะไรบางอย่างเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานมากพอที่จะทําให้กุศลธรรมนั้นเนี่ยนะมันมีพื้นมันมีฐานที่กว้างแล้วก็มีไอความมั่นคงที่จะไม่ล้มไปซึ่งถ้าหากว่าคุณอยู่ตรงนี้นานพอ สภาวะของจิตใจนะที่มันมีความสว่างรู้สึกได้ถึงความปลอดโปรง่งรู้สึกได้ถึงความสบายเนี่ยมันจะมีความมั่นคงขึ้นเรื่อยๆดูจากการที่ว่าพอตั้งใจอะไรดีๆแล้วนะคุณจะไม่เปลี่ยนใจง่ายๆแต่ถ้าหากว่าคุณใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปที่ตามใจตัวเองแล้วก็ไม่สนใจว่าใครจะแย่ลง แค่ไหนนะส่วนใหญ่นะคุณจะพบว่าฐานของความรู้สึกในจิตใจความมั่นคงทางอารมณ์เนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับอย่างคุณพร้อมจะเปลี่ยนใจจากความตั้งใจดีๆให้เลิอเลิกล้มไปหรือว่าเปลี่ยนให้กลายเป็นตรงข้ามไปเลยก็ได้นะจากนั้นเมื่อคุณรู้สึกถึงจิตใจจิตวิญญาณของตัวเองที่มันมั่นคงขึ้น ที่มันมีความสว่างเวลาที่เดินไปไหนมาไหนหรือว่าที่นั่งอยู่ตามปกติเนี่ยนะแล้วเกิดความรู้สึกสว่างสบายเนี่ยสิ่งที่จะออกมาปรากฏกับสายตาของคุนคือออร่าคาว่าออร่านี่จริงๆแล้วเป็นคำต่างๆนะแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ไปในทางของแบบดาราที่มีความสว่างมีคาริสมา่ามีความน่าสนใจมีความโดดเด่นนะออร่าจริงๆแล้วเนี่ย เป็นรัศมีกายที่มันแผ่ออกมาให้รู้สึกได้อย่างทุกคนเนี่ยในห้องนี้มีออร่าออร่าของแต่ละคนเนี่ยจะบอกถึงสุขภาพจะบอกถึงลักษณะนิสัยนะออร่าจะบอกถึงได้กระทั่งว่ากาลังเป็นโรคอะไรอยู่หรือเปล่าแต่พอพูดถึงออร่าในที่นี้ผมพูดถึงสิ่งที่คนอื่นเขาจะรู้สึกถึงความเป็นคุณ นะถ้าหากว่าจะพูดกันในทางจิตวิญญาณหน่อยก็คือว่ารูปของจิตวิญญาณเนี่ยมันปรากฏต่อสายตาของคนอื่นแล้วให้ความรู้สึกอย่างไรเป็นผลสะเทือนเป็นไวเบรชัョンให้คนอื่นมีได้รับผลกระทบอย่างไรยกตัวอย่างเช่นที่ผมพูดไปในตอนต้นนะหมอบางคนแค่ปรากฏตัวนะคนไข้ได้เข้าไปอยู่ใกล้เนี่ย รู้สึกดีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะเพราะว่าไวเบเรชันหรือว่า aura ของหมอเนี่ยนะมีความสวาม่างมีแรงสะเทือนบางอย่างมากพอที่จะทำให้จิตใจแล้วก็ร่างกายของคนไข้เนี่ยสงบแล้วก็รีแลกซ์ลงนิดหนึ่งที่รู้สึกรีแลกซ์ลงนิดหนึ่งเนี่ยมันหลอกให้เกิดความรู้สูกว่าอาการไข้ทุเลาลงหรือดีขึ้นนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าคุณอยู่ตรงนี้นานพอ คุณมีความพยายามคุณยังมีไฟอยู่มากพอจนกระทั่งออารมณ์ความรู้ความคิดแล้วก็อสภาวะของจิตเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงจงกนกระทั่งออร่ามันเริ่มต่างไปเนี่ยคุณปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยเขาจะรู้สึกได้คนอาจจะเดานะว่านี่เป็นหมอหรือเปล่านี่เป็นครูหรือเปล่าเพราะออร่าของคนที่มีจิตบิญญาณแบบที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะกว้าง และให้ความรู้สึกอบอุ่นให้ความรู้สึกที่ดีให้ความรู้สึกนี่เขาเนี่ยจะปลอดภัยเข้ามาแล้วจะทําให้อันตรายหายไปความรู้สึกแบบนี้นะจริงๆแล้วบางคนอาจจะรู้สึกออกมาจากตัวเองได้ว่าออร่าของตัวเองต่างไปแต่บางคนก็ไม่รู้สึกเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับความคิดของตัวเองนะไม่ค่อยมารีแลกซ์สบายสบายคนที่รู้สึกถึงออร่าของตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่รีแลกซ์ เป็นคนที่มีความรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวอยู่ตลอดเวลามันจะเห็นได้เลยว่าออร่าของตัวเองเนี่ยนะความรู้สึกเนี่ยมันแผ่กว้างออกไปหรือว่ากดแคบเข้ามาถ้าหากว่าคุณอยู่ตรงจุดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นให้ดีขึ้นได้นานๆ น, น, น ะ, ะคาว่าออร่าเนี่ยที่เป็นประสบการณ์ภายในของคุณเนี่ยคือจะมีความรู้สึกสดใส มันมีความรู้สึกว่ามันเปิดกว้างออกไปมันแผ่ออกไปหรืออย่างลักษณะความอบอุ่นน่าใกล้ชิดอย่างเงี้ยบางคนก็เยอะรู้สึกตัวเองว่าเออเรามีความอบอุ่นมากขึ้นมันไม่แห้งแล้งมันไม่หนาวเย็นเหมือนเดิมหรือนะอย่างคุณลองสังเกตเคยเคยดูข่าวหรือว่าเคยเห็นกับตามไหมว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ย รถบางพันคนกลูเข้าไปช่วยช่วยจริงๆนะไม่ใช่เข้าไปช่วยขโมยนะคือเข้าไปช่วยงัดประตูออกมาเคย เ, เห็นคนที่นะไป อ, อ, อะไรนะดูบันิบพัทวีนะให้ให้ฟื้นหรือว่าไปช่วยกันอะไรต่อนีอะไรนะในขณะที่อีกหลายคนเนี่ยรถผ่านไปเฉย หรือว่าบางทีเนี่ยเข้าไปช่วยเหมือนกันเข้าไปช่วยรุมถึงนะให้ทรัพสมบัติเขาน้อยลงนะของในรถข้าของในรถเนี่ยพ อ, อ, อตอนหลังนี่มาบอกว่ามันหายไปหมดเลยอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราพูดในทางที่มันไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นนะแต่จะรู้สึกได้ว่ารถบางคันเนี่ยน่าเข้าไปช่วย มันไม่ใช่ตัวรถนะที่เปล่งรัะฝ่มีดึงดูดออกมาแต่เป็นคนที่อยู่ในรถที่ประสบอุบัติเหตุที่ได้รับเคราะกรรมจะต้องเจออุบัติเหตุณะเวลานั้นวันนั้นมันดึงดูดใจได้แล้วสิ่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคนเลยบางทีไม่เห็นตัวได้ยินแต่ชื่อรู้สึกอยากช่วย บางคนเนี่ยโผล่หน้ามายังไม่ทันทักไทยกันสักคำหนึ่งอยากแกล้งแล้วมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งส่วนใหญ่คนไทยเราก็จะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าผูกเวรกันมาหรือว่าเคยเกื้อกูลกันมาซึ่งอันนั้นก็มีส่วนจริงนะแต่สิ่งที่มีอิทธิพลทางใจกับคนจำนวนมากๆได้มากกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของออร่า คือสิ่งที่มันเป็นแรงดึงดูดความช่วยเหลือหรือว่าสิ่งดึงดูดการกลั่นแกล้งข่าวหน้าหนึ่งบางคนเนี่ยนะฮ อ, อพอพอเป็นข่าวหน้าหนึ่งปุ๊บคนรู้สึกเอาใจช่วยหรือว่าอยากจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่เป็นข่าวหน้าหนึ่งบางคนก็รู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นแค่ข่าวข่าวหนึ่ง เป็นแค่ข่าวชิ้นหนึ่งเหตุผลพวกนี้นะมันไม่ใช่เรื่องของตํามเก่าอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของกรรมใหม่ได้ด้วยแล้วกรรมใหม่ในที่นี้ที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องของออร่านี่แหละคนบางคนน่ารักน่าคล้ายชิดน่าช่วยเหลือคนบางคนน่ากลั่นแกล้งน่ารู้สึกให้หมันไส้นะอันนี้มันก็เป็นออร่าที่มันกระทบตาพวกเรานั่นเอง ซึ่งสรุปก็คือว่าผลนะที่เห็ น, นได้ในปัจจุบันของการที่เราสามารถช่วยทําให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นก็คือออร่าที่มันจะทําให้คนอื่นรู้สึกดีกับเราอยากช่วยเหลือเกื้อกูลอยากสนับสนุนเราและอันสุดท้ายที่มันเห็นได้ในชาตินี้ชีวิตนี้ก็คือชะตากรรมชะตากรรมเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่คนคาดหวัง ว่าทำกรรมอะไรไปแล้วชะตาจะดีขึ้นหรือไม่ก็ทำอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนึกว่าชะตามันจะแย่ลงแต่จริงๆแล้วนะผมให้ลำดับการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องมานะครับคืออารมณ์มันต้องเปลี่ยนก่อนความคิดต้องเปลี่ยนตามมานะ สภาวะของจิตนะมันก็ต้องต่างไปด้วยต่างไปเป็นปกติเลยนะไม่ใช่ต่างไปประเดี๋ยวประดาวจากนั้นออร่ามันจะออกมาเองว่าคนค น, นึงเนี่ยนะมีความเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนอย่างเวลาที่คุณทักว่าเอ้ยทําไมหน้าเปลี่ยนทําไมดูแตกต่างไปนะทําไมดูไม่เหมือนเดิมบางทีเนี่ยคุณไม่ได้ดูใบหน้าเขานะแต่คุณใช้ความรู้สึก ว่าออร่าของเขาเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนเดิมคือตัวตนของเขาจากที่คุณรู้จักแบบเดิมเนี่ยที่มีคลื่นความสะเทือนแบบหนึง่งมันเปลี่ยนเป็นคลื่นความสะเทือนอีกแบบที่คุณสัมผัสได้ถ้าหากว่าคุณมีออร่าที่ชัดเจนพอชะตาชีวิตจากเดิมนะมันสามารถที่จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้หรือที่ดีอยู่แล้วมันก็สามารถดีขึ้นนะ แล้วความรู้สึกภายในอันเป็นประสบการณ์ตรงของคุณก็คือจะรู้สึกเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้คนมักจะนึกถึงเทวดาซึ่งก็โอเคนะอาจจะมีท่านสอดส่องอยู่จริงนะแต่ถ้าเทวดามีหน้าที่ต้องเป็นรอปภให้กับมนุษย์เนะี่ยอย่าเป็นเทวดาดีกว่านะคือเทวดามีหน้าที่สวยสุขของท่านนี่สิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองตัวคุณจริงๆก็คือกรรมของคุณนั่นแหละ ถ้าหากว่าทํามามากพอช่วยเหลือคนอื่นมากพอเปลี่ยนแปลงคนอื่นมามากพอจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ออด้าให้รู้สึกได้ว่าอบอุ่นนะถึงแม้ว่าณวันหนึ่งคุณจะมีวิบากต้องไปประสบอุบัติเหตุก็จะไม่ใช่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงถึงท่านเลือดตกยางออกหรือถึงท่านเลือดตกยางออกก็จะมีคนพาส่งโรงพยาบาลให้นะหรือถ้าหากว่ามันเป็นแค่ วิบากที่เบาๆเล็กๆน้อยๆนะฮะก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยจนกระทั่งคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าณวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณจะต้องไปประสบเหตุไม่ดีไปประสบเคราะ์เคราะอันนั้นอาจจะเจือจางเบาบางลงจนกระทั่งไม่ไม่เหลือเลยในอความรู้สึกของคุณหรือในประสบการณ์ของคุณว่ามันเป็นเคราะห์ในขณะที่ถ้าหากคุณมี อำนาจหน้าที่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นให้มันเวลวร้ายลงคุณใช้อำนาจกดขี่คนเป็นประจำตอนที่กดขี่ตอนที่ ร, รู้แก่รู้แก่อำนาจเนะีนะ่ยอารมณ์ของคุณจะค่อยๆกระด้างขึ้นรู้สึกแย่ขึ้นวิธีคิดต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับโซ่รัดตัวนะที่ทำให้ดิ้นหนีไปไหนไม่ได้จากอากุศลธรรม ชะตามันอาจจะยังดีๆอยู่เพราะว่าของเดิมอน่ยนะมีทุนเก่าอยู่เยอะแต่มันจะมาปรากฏชัดลักษณะชะตาชีวิตจะแย่ลงดำดิงดำด่งลงเนี่ยก็ตอนที่ไออร่ามันต่างไปนั่นแหละออร่าเนี่ยมันรู้สึกได้นะคือเวลาที่เรากําลังจะแย่ถึงที่สุดเนี่ยมันจะรู้สึกมีอะไรสวยๆเกาะตัวหรือว่ามีอะไรบางอย่างลากจูงเรา เข้าไปเจอปัญหาหรือเข้าไปพบกับบุคคลที่นะมันจะนําทุกมาให้ชีวิตยกตัวอย่างเช่นบางทีหลงทางหลงทางเนี่ยคนบางคนเนี่ยไป เ, เจอเรื่องดีๆนะเจอเรื่องที่ทําให้ตัวเองสบายใจอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถนนห น, นทางที่มันสวยงามในขณะที่บางคนหลงทางแล้วเนี่ยสวยซ้าสวยซ้อนนะะไปเจอคนโกงบ้างไปเจอคน ที่จะแนะนำให้ไปทาผิดยิ่งยิ่งขึ้นบ้างนะลักษณะของชะตากรรมมันมันไม่รู้นะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมยังไงแต่มันปรากฏเป็นรูปชีวิตทั้งชีวิตทีเดียวนะที่ทำให้คุณ เ, เห็นว่าตัวเองกำลังประสบเคราะดีหรือเคราะดาย อ, าอันนี้เขาให้พัก10นาทีนะครับถึง1 0บสี่ห้านะอันนี้เลยมา5นาทีโอเคครับนาทีนะครับ ครขอบคุณท่านอาจารย์ครับจริงเวลาน้อยมากนะอาจารย์นะเชิญท่านอาจารย์ชั่วโมงเดียวเนี่ยนะเป็นจรวดเลยครับผมเป็นท่านอาจารย์บรรยายสิบนาทีนี้ขอให้เป็นสินาทีคุณภาพจริงๆนะครับรีบกลับมาท่านออกไปจากประตูนี้เลี้ยวขวานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าที่บอกให้นะฮะอยู่ตรงห้องอาหารหน้าห้องสมุดนะครับครับดื่มกาแฟตุนอาหารในท้องสนิทนะฮะเดี๋ยวกลับมาก็จะมีเรื่องของการถามตอบจากท่านอาจารย์ด้วยนะครับ ท่านให้ท่านเตรียมไว้นะฮะว่าท่านจะถามอะไรบ้างเรื่องกรรมเรื่องอะไรต่างท่านอาจารย์ก็จ ะ, ะช่วยตอบให้กับเรานะครับเ ร, นนรียนเชิญนะฮะสิบนาทีนะครับแครับก็ตรียนเชิญนะฮะท่านที่อยู่ด้านนอกถ้าได้ยินเสียงแล้วให เข้ามาเรามีเวลาเพียงนิดเดียวเองฮะจริงๆแล้วคุยกับทางท่านอาจารย์และทีม ง, งานบอกว่าถ้าเชิญท่านอาจารย์ทั้งวันเนี่ยจะดีมากเลยนะเพราะช่วงครึ่งวันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการบรรยายแล้วช่วงช่วงวันหลังเนี่ยเป็นเรื่องของเวิร์กช็อปนะท่านอาจารย์มีเวิร์กช็อปด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่ า, เ, าเดี๋ยวช่วงนี้ท่าน จ, าจะบรรยายต่อแล้วก็มีโอกาสให้ทุกท่านได้ถามตอบกันนะที่สําคัญก็คือขอให้ท่านช่วยถามนะครับเพราะว่า บรรยากาศของการถามแล้วท่านอาจารย์ตอบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบรรยากาศที่เราจะได้รู้ลึกลงไปอีกในในอีกระดับหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราอ่านเองเนี่ยต้องใช้เวลาก่อนข้างนานทีเดียวนะแต่วันนี้เรามีพระหูสูตรเนี่ยผมถือว่าจะทําให้เราเนี่ยเรียนรู้ทางลัดนะทำให้เราเข้าใจและเอาไปเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับโอกาสนี้คงต้องขอการเป็นเชิญท่านอาจารย์ได้ดําเนิน การบรรยายต่อครับขอขกระินเชิญครับครับเมื่อครู่นี้ก็อาจจะพูดยาวไปนิดนึงเดี๋ยวจะรวบรัดให้กระชับขึ้นก็นแล้วกันนะเมื่อเมืม่อครึ่งแรกเนี่ยเราสรุปได้ว่าถ้าหากอยากจะสําสรวจการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะดูว่ากรรมมันมีผลให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปจริงๆหรือเปล่าก็เริ่มสังเกตนะสัญญาณแรกจากอารมณ์ของตัวเองนะครับถ้า อารมณ์มันอ่อนโยนลงเนี่ยแสดงว่ากรรมที่เราทำไปมันเป็นไปในทางที่ทำให้ชีวิตมว่อื่นดีขึ้นนะแล้วถ้าหากอารมณ์มีความอ่อนโยนมีความสุขมากขึ้นนะวิธีคิดของเราจะต่างไปจากนั้นสภาวะจิตนะมันจะมีความเป็นปกติมากขึ้นคือรู้สึกสว่างเหมือนกับออกมาจากท้ำมืดเหมือนกับออกมาจากที่ที่มันขมุกขมัวออกมาสู่ที่โลง่งออกมาสู่ ท, ที่ที่มีแสงสว่างนะ ลักษณะของจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับความสว่างนี้ไนหะมันจะทําใหออร์าหรือความรู้สึกภายในของเราเนี่ยมันผิดไปจากเดิมที่มีแต่อะไรซวยๆติดตัวอยู่นะใครเป็นคนที่มีความปกปลอดภัยเหมือนเรากับว่ามีอะไรปกปักรักษานะลักษณะของออร์าที่มันดีขึ้นเป็นปกติมันจะมีผลให้เรารู้เลยว่า ตัวเราชีวิตเราดึงดูดเอาชะตาอะไรที่มันดีๆเข้าหาตัวมากกว่าเดิมนะครับเอาละเมื่อพูดถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะฮะไปครบแล้วมันไม่หยุดตรงที่ความรู้สึกทางจิตรู้สึกทางเกี่ยวกับชะตากรรมของตัวเองนะคนที่มีความตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรม จิตมีความสว่างจิตมีความเบิกบานจิตมีความสบายนะไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องที่กระตุ้มนะไม่เกิดความคิดไร้ายอะไรขึ้นมามีแต่ความคิดดีๆเป็นปกติเนี่ยลักษณะของความมั่นใจในตัวเองเกี่ยวกับชาติภพถัดไปมันจะเป็นไปนในทางดีเหมือนกับเหมือนกับที่ทุกท่าน ผมเคยมีประสบการณ์มาก่อนว่านะตอนหลับฝันไปรู้สึกว่าตัวเองน่าเกลียดในบางคืนกลายเป็นจิตวิญญาณที่วิ่งหนีอะไรก็ไม่ทราบหรือว่าจะต้องไปทะเลาะบบาแวง่งฟาดฟันฟาดงวงฟาดงาอะไรอยู่ในขณะหลับก็ไม่ทราบเนะี่ยอันนี้คือลักษณะจิตวิญญาณที่น่าเกลียดที่รู้สึกได้แต่บางคืนรู้สึกว่ามันสว่างมันสบายเหมือนหลับสนิทหลับอยู่เฉยๆนะไอ้ตรงนี้เนี่ยคือรูปของจิต ที่มันให้ความรู้สึกขึ้นมาแบบหนึ่งว่าเราดูดีหรือว่าดูแย่ถ้าหากว่าจิตวิญญาณของคุณให้ความรู้สึกว่าดูดีมีความสบายใจนะตรงนั้นเวลาที่จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเนี่ยมันรู้สึกถึงตัวเองได้ว่ากำลังจะไปสู่ที่ที่ปลอดภยัยคุณลองนึกดูเปรียบเทียบนะอย่างต้นไม้ดอกไม้ที่สวยงามเนี่ยถ้าคุณนึกถึง นึกถึงมันเนี่ยจะนึกถึงดอกไม้ที่สีสันสดสวยอย่างกุหลาบหรือว่าจะนึกถึงต้นไม้ยืนต้นที่สูงสูงอย่างเช่นป า, นาล์มอินทผลัมอะไรแบบนี้เนี่ยคุณนึกถึงมันคุณจะไม่นึกถึงมันเดียเด่ยวๆแต่จะนึกถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความสวยงามของพวกมันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากคุณรู้สึกถึงจิตวิญญาณที่ดีของคุณได้อย่างเดียวรู้สึกถึงความตั้งมั่นของความสว่างทางใจที่มันเกิดขึ้นเป็นปกติ คุณจะนึกถึงสภาพแวดล้อมใหม่ที่มันเหมาะสมกับจิตวิญญาณดีๆแบบนั้นนะมันจะไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาที่หล่อสวยแต่จะหมายถึงนะที่อยู่อาศัยบ้านแล้วก็พ่อแม่นะอันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตพ่อแม่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตแล้วก็เป็นบุคคลที่อิทธิพลมีอิทธิพลสำคัญที่สุดกับชีวิตของทุกคนถ้าคุณไปอยู่ในท้องแม่นะที่ ไม่เต็มใจเลี้ยงดูลูกคุณจะเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วมันจะติดตัวไปตลอดชีวิตแต่ถ้าหากคุณเกิดในท้องพ่อท้องแม่ที่เอาใจใส่ประครบประงมแล้วก็พยายามเลี้ยงดูลูกอย่างดีนะคุณจะมีความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์นี่เป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เองได้แต่มันต้องเริ่มมีอะไรบางอย่างจับวางเข้ามาในท้องพ่อท้องแม่แบบหนึ่งหนึ่งซึ่งนั่นแหละ ก็คือจิตวิญญาณแล้วก็กรรมที่เกิดขึ้นในชาติก่อนตลอดชีวิตถ้าหากว่าคุณเคยเปลี่ยนชีวิตคนอื่นไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะไปอยู่กับพ่อแม่ที่พร้อมแล้วก็อยากพัฒนาลูกแต่ถ้าเคยเปลี่ยนชีวิตคนอื่นไปในทางแย่ลงคุณจะไปอยู่ในท้องพ่อท้องแม่ที่เกิดมาเนี่ยเห็นหน้าลูกมันไม่มีกําลังมันไม่มีแก่ใจที่จะเลี้ยงนะฮะ ไม่สนใจว่าลูกจะจมอยู่กับที่หรือถอยลังไปแค่ไหนจากนั้นนอกจากจะต้องมีพ่อแม่แล้วทุกคนต้องมีหน้าตาต้องมีรูปร่างอะไรแบบหนึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะแล้วรูปร่างหน้าตานี่แหละคือสิ่งที่มันประกาศหรือประจานว่าเคยทำอะไรเมาบ้างชช่วยชีวิตของคุณคุณอาจจะไม่ ค, คุณอาจจะฉลาดมากพอที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยจับไม่ได้ไล่ไม่ทันว่าเคยทําชั่วร้ายอะไรไมาบ้างแต่ถ้าหากว่ามันหมดวาระนี้แล้วนะไปขึ้นวาระใหม่ไปอยู่ชาติใหม่ชีวิตใหม่เนี่ยสิ่งที่จะปร ะ, ประกาศหรือประจานกรรมเก่าของคุณก็คือรูปร่างหน้าตาเนื้อตัวที่เกิดขึ้นนั่นแหละบางคนเด็กเนี่ยเกิดมาปุ๊บเนี่ยน่าเกลียดทันทีนะแต่บางคนเกิดมาเป็นที่รัก แล้วเป็นที่นักของคนหมู่มากไปที่ไหนใครกอ็อยากเล่นด้วยอยากเอาขนมมาให้เนี่ยชัดเจนนะรูปร่างหน้าตาเนี้ยเป็นสิ่งที่ประกาศกรรมได้ชัดเจนที่สุดนะครับว่าเคยทําอย่างไรมาถ้าเคยเปลี่ยนชีวิตของคนคนอื่นไปในทางที่ดีขึ้นผิวพรรณจะดีรูปร่างหน้าตาจะสวยหลอ่อเนะีเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเมตตาธรรม ผลของเมตตาธรรมที่ปรากฏกับรูปร่างหน้าตาก็คือผิวพรรณจะละเอียดนะมีความผ่องใสน่าดูน่าชมแต่ถ้าหากเคยเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นไปนในทางที่แย่ลงอารมณ์มันจะหวเที่ยงอารมณ์มันจะกระด้างมันจะก้าวร้าวนะละลักษณะของรูปร่างหน้าตาแล้วก็ผิวพรรณที่เหมาะกับกรรมแบบนั้นก็คือกระด้างหยาบนะแล้วก็อย่างที่เขาเรียกว่ามีผิวพรรณสาม จากนั้นเรื่องของฐานะนะฐานะเนี่ยถ้าหาถ้าถ้าเราถ้าเราเอาพิจารณาตาม เ, เหตุและผลของกรรมนะครับผู้ที่มีฐานะมั่งคั่งคือผู้ที่เคยให้ไว้มากให้ทานนะแบบไม่เลือกหน้านี่จะ้วยมากแล้วก็เคยรักษาศีลดีนะศีลจะเป็นตัวกำหนดให้พื้นชาตาชีวิตเนะี่ยมีความมั่นคงที่จะรองรับความนั่งรวยแค่ไหนถ้าเคยมีศีลที่ดีพอนะ ของใหม่เนี่ยมันก็จะมีความมั่นคงเหมือนแผ่นดินท่านเปรียบไว้เหมือนแผ่นดินที่มีความพร้อมจะรองรับอะไรอะไรที่มันสูงขึ้นไปแค่ไหนก็ได้หนักแค่ไหนก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าศีลไม่ดีต่อให้เคยทําทานมาดีนะต่อไปถ้าสามมติว่าร่ํารวยขึ้นก็จะเป็นความร่ํารวยที่โยกเยกเป็นความร่ํำรวยที่ไม่มัน่นคงล้มแล้วลุกลุกแล้วล้มหรือไม่ก็บางทีล้มแล้วหายไปเลยนะไม่สามารถลุกกลับขึ้นมาได้ใหม่ แต่ถ้าหากว่าเคยเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นนะไปในทางที่แย่ลงฐานะนะแทนที่จะมั่นคงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอัตคัดมันมันก็จะฟ้ อ, ฟองแหละว่าเราไม่เคยให้ฐานไม่เคยรักษาศีลไม่ดีพอจากนั้นในเรื่องของสติปัญญานะครับถ้าหากว่าองค์ประกอบพวกนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันนะ เกิดที่พ่อแม่แบบไหนรูปร่างหน้าตาแบบไหนฐานะแบบไหนสติปัญญาแบบไหนสติปัญญาในที่นี้ผมพูดถึงสติปัญญาขั้นพื้นฐานอย่างที่คนยุคใหม่มักจะเรียกว่าอยักสมองอยากสมองบางคนน้อยบางคนมากเพราะอะไรเพราะว่ากรรมที่เคยทําให้กับคนอื่นนะถ้าหากว่าเคยเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นไปในทางที่ดีขึ้นมันจะมีความแหลมคมทางปัญญานะฮะคือกูง่ายง่ว่าถ้าคุณเคยคิดคือเคยตเต็มใจคิด ยังมีไฟนะว่าอยากจะให้ใครบางคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเอ๊จะทํำยังไงดีนะแล้วใช้ความฉลาดเต็มความสามารถของตัวเองเนี่ยให้มันมันประสบความสําเร็จนะตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อไปในอนาคต ด, ด้วยนะเคยใช้ปัญญาไปในทางช่วยแก้ไขให้คนอื่นมันจะย้อนกลับมาเป็นความสามารถในการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาของตัวเองแล้วก็มีเฉวยไวพริบมีความสามารถที่จะเห็นประเด็นจับจุด เร็วน ะ, ะเรื่องนี้เนี่ยแต่ละคนก็คงทราบดีว่าตอนเด็กๆ เ, เนี่ยมันชัดเจนนะไม่เท่ากันนะเด็กบางคนเพื่อนของเราเนี่ยมันเห็นอะไรเรียนรู้อะไรเนี่ยสามารถที่จะทะลุกลุกลงได้หมดใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีแต่เราต้องใช้เวลาเป็นวันๆอะไรแบบนี้นะถ้าเคยเปลี่ยนชีวิตคนอื่นไปนในทางที่แย่ลงมันก็จะทึบทื้อนะแล้วก็จะ เหมือนกับพูดง่ายๆว่าไม่เคยใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาช่วยคนอื่นก็ไม่เคยให้ฐานทางปัญญานั่นเองผลก็คือจะไม่ได้มีความฉลาดเฉลียวนะในอนาคตอ่ะคราวนี้เป็นจุดที่สำคัญคือเราพูดถึงเรื่องของผลของกรรมมาเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจกำลังใจในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่ามาให้กาลังใจกันหลอกๆแต่เอาของจริงมาพูด เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเออเราจะทำไปเพื่ออะไรแต่ทีนี้ถ้ามาพูดหละว่าจะเอาความสามารถในการเปลี่ยนแปลงคนอื่นชีวิตใครสักคนที่มันแย่ๆอยู่ให้มันกลายเป็นชีวิตที่ดีขึ้นเราจะปลูกฝังเราจะเพาะนิสัยหรือว่าจะเอาพลังความเปลี่ยนแปลงมาจากไหนมันมีคอร์สสอนกันเยอะแยะนะ ไอ้ที่จะทำให้ตัวของคุณเองเนี่ยมีเอฟเฟกกับคนอื่นแต่จุดใหญ่ใจความทุกคอร์สเหมือนกันหมดคือเขาจะสรุปว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้อย่าไปหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นสำเร็จถ้าหากพิจารณาว่าเด็กในสถานพินิษมีความผิดติดตัว เขาทำกรรมอะไรบางอย่างที่เป็นบาปที่เป็นโทษหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปซ้าเติมหรือว่าไปลงโทษกันเพราะสถานพินิษไม่ใช่คุกมันไม่มีเครื่องลงทันมีแต่เครื่องปรับเครื่องเปลี่ยนทำให้เครื่องให้โอกาสเครื่องมือในการให้โอกาส ถ้าเรามองว่าเด็กเป็นคนผิดเป็นคนไม่ดีเราจะรู้สึกยากเราจะรู้สึกว่าหน้าเหนื่อยหน่ายเราจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำที่จะเปลี่ยนคนนะที่จะเปลี่ยนเด็กนิสัยแย่ๆเนี่ยให้กลายเป็นผู้ใหญ่นิสัยดีๆขึ้นมาแต่ถ้าเราย้อนกลับมาที่ตัวเองแล้วถามตัวเองว่ามีไหม อยู่ๆนั่งๆ น, นอนๆเนี่ยอยู่ดีๆนึกถึงความผิดในหนหลังหรือเรื่องหน้าอับอายที่เคยทํามาแล้วเกิดความรู้สึกทุรนทุรายเป็นทุกข์อยากกลับไปแก้ไขมันมีกันทุกคนนะทุกคนในห้องเนี้ยถ้าไปถามรายตัวเลยสามารถบอกกันได้มนั่นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะขุดคุยเอาเรื่องในอดีตเมื่อครั้งยังเยาว์วัย หรือเมื่อครั้งยังวัยรุ่นขึ้นมาพูดได้เลยตอบหลายคนตอบได้ทันทีเพราะมันย้อนคิดอยู่เรื่อยๆไม่ถึงกันย้อนคิดอยู่ทุกวันนะแต่คิดขึ้นมาทีใดมันรู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความผิดติดตัวเป็นความบางทีนะเป็นความน่าอายพูดอะไรบางอย่างออกไปแบบที่ ไม่นึกว่าคนเขาจะเก็บไว้ล้อเลียนนะบางคนเนี่ยคือบางทีไม่ได้ทําอะไรได้ซ้ําแต่คนอื่นหรือสังคมเนี่ยชีย้มาว่าเนี่ยตัวเนี้ยตัวเราเนี่ยเป็นคนผิดตัวเราเนี่ยเป็นเอคนทําอะไรไม่ดีเรื่องหน้าบัตรสีบัตรถลึงอะไรที่เออ่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ว่าคนเราเนี่ย เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมามันไม่มีเพศไม่มีวัยถ้าหากว่าคุณทําอะไรผิดพลาดตอนเด็กแล้วมันเกิดความทุกข์ขึ้นมามากๆไอ้ความทุกข์ตรงนั้นมันจะฝังอยู่ในใจของคุณตลอดชีวิตเพราะว่าความทุกข์มันไม่มีเพศไม่มีวัยมันไม่สนใจว่าคุณทําขึ้นมาเมื่อไหร่รู้แต่ว่าถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นแรงพอมันจะปั๊มลงไปในความทรงจํา แบบถอนไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าหากว่าอยู่ๆคุณนั่งๆนอนๆอนแล้วคิดขึ้นมาถึงเรื่องเก่าๆเกิด ค, ความรู้สึกว่าแ yeah ย่มากเกิด ค, ความรู้สึกอือายมากเกิด ค, ความรู้สึกราวกับว่ามันกลับมาอยู่ใกล้ตัวอีกครั้งคุณต้องเผชิญหน้ากนะับเรื่องแย่ๆนั้นอีกครั้งนี่แหละสะท้อนว่าทุกคนมีความผิดติดตัวอยู่มีอะไรบางอย่างที่มัน สมควรจะถอดถอนออกไปวิธีถอดถอนของคนส่วนใหญ่ก็คือบอกตัวเองว่าพยายามลืมมันซะมันผ่านมาแล้วเือไปบอกตัวเองว่านั่นมันเรื่องของเด็กนะเกิดขึ้นในสมัยเด็กแต่บอกอย่างนี้ย้ำอย่างนี้กี่ครั้งกี่หนทำไมมันยังไม่หายไป point ก็คือนี่ครับทำไมาติของความทุกข์ถ้ามันแรงพอมันจะไม่ลืม ไหนๆจะไม่ลืมแล้วนะ <S <S คุณลองเอามันมาใช้ประโยชน์ตัวบ้าง <S 1> <S 1> ตามวิธีการแบบพุทธเวลาที่เกิดความทุกข์ขึ้นมา <S <S อันแรกคือใช้โยนิโสมนานัสิการคือพินิษพิจารณาว่าฐานความรู้สึกที่จะให้ก่อความผิดเนี่ยคืออารมณ์นะความเห็นแก่ตัวความเอาแต่ได้ความาไม่รู้จักคิด นี่จะพร่ามเพอเจอร์หรือว่าความน่ามืดนะกำลังเกิดความกำหนัดยินดีจนไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้นะฐานความรู้สึกฐานอารมณ์แบบนั้นมันยังมีอยู่ในคุณอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่ามันยังมีอยู่ในตัวคุณก็ให้เร่งรู้ตัวว่าคุณสามารถทำผิดแบบเดิมซ้ำแล้วก็เพิ่มทุกข์แบบเก่าขึ้นได้ตลอดเวลา คือชีวิตยังเหลืออยู่แล้วฐานอารมณ์ความรู้สึกนิคิดแบบนั้นเนี่ยมันยังอยู่ก็แปลว่าความผิดยังสามารถเกิดขึ้นได้อีกอันนี้มันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าถ้าคุณแก้ไขทำให้ฐานอารมณ์แบบนั้นมันเปลี่ยนไปมีแก่ใจทำตัวให้ดีขึ้นพูดง่ายๆว่ารักษาศีลหรือว่า ปรับวิธีคิดแบบไม่ฉลาดเก่าๆเนะี่ยให้มันฉลาดขึ้นนะตัวตนแบบเดิมมันก็จะดีขึ้นมันก็จะปรับปรุงขึ้นแต่ถ้าหากตอบตัวเองได้ว่าฐานความรู้สึกฐานอารมณ์เข็นแก่ตัวฐานความรู้สึกหุนหันพันแล่นแบบนั้นนะฐานความรู้สึกที่อยากจะปล้ามเพลเจอร์นะมันหายไปแล้วมันไม่มีอยู่ในตัวนี้แล้วตัวที่มันกําลังเป็นอยู่ในวันนั้น มันจะเกิดวูบผาารู้สึกขึ้นมานิดนึงว่าเออมันเป็นคนละตัวกันแล้วความผิดที่เคยทําไวในสมัยตั้งแต่ครั้งยังเด็กหรือตอนวัยรุ่นหรือตอนที่ยังไม่รู้ภาษีภาษานะนึกว่าตัวเองใหญ่ที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกถ้าหากว่ามันไม่ใช่ตัวนี้แล้วตัวนี้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งที่สุดในโลกแล้วไม่ใช่ เกิดความสึกเห่าขึ้นมาอยากจะพูดอะไรก็พูดแล้วมันไม่มีตัวนี้อยู่นะคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นคนละตัวกันนี่เป็นรูบความรู้สึกถึงอนัตคำว่าอนัตตาก็คือสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้สิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยสิ่งที่มันจะต้องหายไปถ้าคุณรู้สึกวูบหนึ่งขึ้นมาว่าตัวนี้มันแตกต่างจากตัวก่อนที่เคยกระทาความผิด แล้วเห็นได้แบบนั้นบ่อยๆมันจะมีสติขึ้นมาอีกแบบหนึง่งสติเหนือธรรมดาสติเหนือกว่าไอ้การที่เราจะมานั่งอ่านหนังสือแล้วจะมานั่งคุยกันมานั่งเรียนมานั่งอ่านมานั่งเขียนแต่เป็นสติที่จะรู้ความจริงเกี่ยวกับกายใจของตนเองว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นคนละตัวกันได้เมื่อเวลาต่างไปความสามารถนะที่จะเห็น ว่าตัวเองมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆจากที่เคยผิดพลาดมันกลายเป็นถูกต้องได้นะตัวนี้เนี่ยมันจะเมื่อกี้ทบัวนนิดนึงมันเกิดวูบความรู้สึกอยากแก้ตัวได้แล้วก็วูบของความรู้สึกไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนได้นะความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นใหม่นะจะเป็นความรู้สึกว่า เราไม่ต้องไปรับผิดชอบต่ความผิดแบบเก่าๆแล้วแล้วพอคุณย้อนคิดถึงอะไรที่มันแสลงใจที่มันบาดใจวิทีนึกขึ้นมาที่ไรเสียวฟันทุกทีอะไรแบบนั้นเนี่ยนะมันจะค่อยๆทุเลาเบาบางลงประเด็นคือว่าถ้าหากคุณมีความมั่นคงพอมีจิตใจที่ตั้งมั่นมากพอในความเห็นแบบนี้นะทั้งความรู้สึกอยากจะแก้ตัว แล้วก็ทั้งความรู้สึกว่ามันเป็นคนละตัวกันแล้วเนี่ยเวลาที่คุณกลับมาทํางานเวลาที่คุณกลับมาเผชิญหน้ากับเด็กคุณจะรู้สึกถึงพลังในการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณก็สามารถเปลี่ยนเด็กได้เช่นกันอันนี้มันเป็นการเอามาบวกกันนะแต่ถ้าคุณเอาไปลองทําดู อพูดง่ายๆว่าคิดถึงความผิดอะไรแต่ผลหลังก็แล้วแต่แล้วมันยังย้อนคิดอยู่เรื่อยๆมีความทุกข์ทรมานใจมีความเสียแสลงใจแล้วลองใช้วิธีนี้ดูนะผมทบทวนอีกทีหนึ่งอันแรกคือดูว่าฐานความรู้สึกฐานอารมณ์ที่มันจะเป็นที่ตั้งของกรรมแบบนั้นยังมีอยู่ในตัวคุณหรือเปล่าถ้ามีอยู่มันจะเกิดรูบความรู้สึกอยากแก้ตัวขึ้นมาอยากแก้ไขขึ้นมา แต่ถ้าหากว่าพบนะมันไม่มีไอฐานความรู้สึกแบบเดิมอยู่อีกแล้วคุณจะรู้สึกวูบหนึ่งนะเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเดิมแล้วมันเป็นคนละตัวกันแล้วไอ้นี่แหละคือความคือต้นทุนที่มันจะกลายพัฒนากลายเป็นความเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะอะไรเพราะเมื่อคุณเกิดความเห็นมาตัวเองเนี่ยนะะมันสามารถต่างไปได้เรื่อยๆจากผิดเป็นถูก จากตัวหนึ่งกลายเป็นอีกตัวหนึ่งเวลาคุณมองเด็กคุณก็จะมองด้วยความเชื่อว่าเด็กสามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันไม่งั้นคุณจะมองแบบผูกยึดอยู่กับภาพภาพเดียวว่าไอเด็กคนนี้เกินจะแก้เกินจะเยียวยานะมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสันดานได้หรอกนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของคุณนะ แต่ถ้าระลึกถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของตัวเองคุณจะไปทำแบบไหนผมไม่รู้รู้แต่ว่ามันจะมีศรัทธาเกิดขึ้นมามันจะมีความเชื่ออีกแบบหนึง่งว่าตัวคุณเนี่ยสามารถจะเอาความเอากระแสความสะเทือนนะไอไวเบレーションในตัวคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ส่งทอดไปให้เด็กได้ด้วยเวลาคุณคุยกับเด็กคุณจะคุยด้วยความรู้สึกเห็น อ, อกเห็นใจก็มากขึ้นแล้วเห็นว่าไอ้ตัวตนที่มันกาลังเป็นอะไรแย่ๆอยู่ในวันนี้ของเขาปัจจุบันนี้ของเขาเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวอันเกิดจากเหตุปัจจัยบีบคั้นให้มันเป็นมาแบบนี้ต่อให้เลวขณะที่คุณไม่อยากให้อภัยอย่างเช่นส่วนใหญ่กรณีของการข่มขืนคดี คดีกระทําชําเดาเนี่ยมันเป็นคดีที่คุณใจคุณลึกๆเนี่ยไม่นึกอยากให้อภัยแต่ถ้าคุณเปลี่ยนลักษณะการเห็นออกมาจากจิตคือคือเห็นออกมาจากตัวเองก่อนว่าตัวเราก็เคยผิดได้แล้วมันก็สามารถต่างไปได้แล้วนะคุณก็จะเห็นในในพฤติกรรมที่ มันเกินจะให้อภัยเหล่านั้นเนี่ยเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันคนที่เคยเป็นฆาตกรเคยเปลี่ยนมาเป็นมิชชันนารีก็มีนะมิชชันนารีก็ของศาสนาคริสต์เขาเนี่ยเดินทางออกไปช่วยเหลือชีวิตผู้คนคือยอมอุทิศชีวิตตัวเองไปช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น จากเดิมที่เคยเป็นฆาตรกรมาเหตุผลง่ายๆคือว่ามีคนทําให้เขาสํานึกผิดได้รู้สึกว่ามันเป็นความผิดที่น่าละอายในความล ะ, ละอายนั้นเน่ยมันทรมานใจเขาวิธีเดียวที่จะลดความทรมานใจนั้นลงก็คือไปช่วยชีวิตคนอื่นเคยฆ่าคนแค่คนเดียวแต่ไปช่วยคนเป็นพันเป็นหมืน่นมันล้างความรู้สึกได้ มันเป็นน้ำทิพที่ชำะระล้างความโสโครกในความทรงจำได้นี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกนะผมไม่มีวิธีพวกคุณรู้พิธดีดีกว่าผมมันมีขั้นตอนมันมีหลักสูตรมันมีอะไรอยู่แล้วที่จ ะ, ะจัดการกับเด็กที่มีปัญหามันขาดแค่กำลังใจและศรัทธาความเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้จริงถ้าหากคุณมีศรัทธาแล้วลุกขึ้นมาด้วยไฟไฟของความเชื่อ ว่าคุณจะลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตคนอื่นให้ดีขึ้นวันนั้นทั้งวันของคุณเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยพลังแต่ถ้าคุณลุกขึ้นมาด้วยความเชื่อแบบเก่าๆด้วยความโรยแรงแบบเก่าๆ เ, เวลาเจอหน้าเด็กมีปัญหาใจคุณจะมีปัญหาตามไปด้วยเวลาคุณรู้พฤติกรรมเลวร้ายของเขาคุณจะเกิดความเกลียดขึ้นมาก่อนอยากช่วยเวลาที่คุณ เ, เห็นทอดร้แรง ทำที่เขาไปทำบาปทำผิดอะไรมาแย่ๆอย่างเกินให้อภัยจริงๆเนี่ยคุณจะรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าคนนี้เนี่ยนะมันคือใจคุณเนี่ยจะใบแอสแล้ว่าถ้าถ้าจะช่วยเนี่ยไปช่วยคนอื่นที่มีโอกาสมากกว่าจะดีวกว่านะแต่ถ้าคุณมองว่าบาปผิดหรือว่าอะไรที่ร้ายแรงของเขาเนี่ยมันสามารถพลิกเป็นความละอาย มันสามารถเอามาโนธรรมซึ่งติดตัวมนุษย์มาเนี่ยเอามาใช้ทําให้มันสวิงไปอีกด้านหนึ่งให้มันกลายเป็นความรู้สึกอยากจะชดใช้ความผิดของตัวเองถ้าคุณมีความเชื่อถ้าคุณมีศรัทธาตรงนี้มันจะมีสเต็ปต่อไปคือการลงมือพยายามสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันขึ้นอยู่กับว่าคุณพยายามมากพอหรือเปล่าและ หลายครั้งพอจนกระทั่งเกิดความเชี่ยวชาญจนกระทั่งเกิดพลังมันมีจริงๆนะเรื่องของพลังสะกดถ้าคุณทำให้คนบาปมีความละอายใจได้คนหนึ่งนะมันอาจจะยังไม่ค่อยมีรูปของพลังอะไรปรากฏชัดแต่ถ้าคนที่สองคนที่สามคนที่สี่มันจะเกิดความเชื่อมั่น ความเชื่อมั่นที่ทำให้คุณรู้สึกได้ถึงพลังอะไรที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเป็นพลังสกดขนาดที่ว่าเด็กเจอหน้าคุณเนี่ยถ้าจะมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงคือพอเห็นหน้าคุณปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันต่างไปในตัวเองเหมือนเหมือนคนไข้เห็นหมอหรือเหมือนสิทธิ์ที่เห็นครูดีรู้สึกได้ว่าโรคอะไรบางอย่างในใจของตัวเองเนี่ย มันอ่อนลงอย่างน้อยมันยอมอ่อนลงแล้วมันยอมฟังยอมที่จะดูว่าคุณจะพูดอะไรยอมที่จะให้คุณเทรนยอมที่จะให้คุณจัดการตามขั้นตอนคือขั้นตอนเนี่ยทําเหมือนกันหมดแต่ว่าพลังที่จะสะกดให้เขาฟังหรือที่จะทําให้เขายินยอมตามอันนั้นแหละคือคุณภาพที่มันแตกต่างในแต่ละคนนะคือมันเป็นตบะ มันเป็นบารมีที่ต้องสะสมเอายิ่งคุณสะสมบารมีได้มากเท่าไหร่เปลี่ยนแปลงคนนะจากคนผิดให้กลายเป็นคนคิดถูกได้มาได้ได้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยไอ้พลังตรงนี้เนี่ยมันก็จะฉายชัดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคุณรู้สึกได้ด้วยตัวของเองของคุณเองเหมือนกับเรื่องของออร่าเหมือนกับเรื่องของสภาวะทางจิตที่เรารู้สึกได้ว่ามันสามารถต่างไปเนื่องจาก ผมใช้เวลาพูดไปเกินกว่าที่คิดไว้นิดหนึ่งนะ่ยเดี๋ยวผมขอตัดเข้าสู่เรื่องของการถามตอบเลยก็แล้วกันเพราะว่าการถามตอบเนี่ยที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณรับอะไรได้มากจริงๆนะฮะเพราะว่าใจคนเนี่ยพร้อมจะเปิดต่อเมื่อมีคาถามนะฮะตัวเองมีคำถามด้วยตัวเองไม่ใช่คนอื่นเอาคำตอบเข้ามาให้ก่อนที่จะมีคำถามนะครับอย่างนั้นเชิญเลยก็แล้วกันขอเข้าสู่ช่วงของการถามตอบนะครับ เรียนเชิญนะครับท่านใดถามตอบก็ยกมือแล้วก็กดไม้ได้เลยครับเพราะตรงท่านมีไม้อยู่แล้วครับเรียนเชิญครับครับท่านจบดีถามก่อนเลยครับครับกับเรียนท่านอาจารย์ครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์ก่อนที่มาเออ่ที่พวกเรามีบุญนะที่ได้มาฟังอาจารย์ที่พวกโชคดีมากครั้งต่อไปจริงๆแล้วผมอยากจะให้บุคลากรในกรมนิตทั้ง 4,200 มาฟังจากอาจารย์โดยตรงแบบนี้ ครับแต่ว่าเนื่องจากเวลาจำกัดและแต่ว่าโอ ก, กาสหน้าขอญาติอาจารย์นะครับอยากจะให้บุคลากรในกรมเนี่ยมาสัมผัสกับอาจารย์เพราะว่าวิาวธีคิดต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครมีผลต่อเด็กในประชนมาก น, นะครับในฝากอาจารย์ไว้นเนเรื่องที่สองไปรเรนอยากรู้นะฮะและจะเป็นประอยูนกับพืน้องด้วยผมเคยอ่านผมก็ไม่ใช่นะัก นักอะไรมากนะักเลย ว, ว่าอ่านหนังสือทั่วไปเคยอ่านพระธริมดุนะครับพบว่ามนุษยชาติที่เกิดมาเนี่ยในพระธรรมดุลโมมีอยู่สามส่วนอาจารยนะ์ส่วนที่หนึ่งก็คือมาจากเขาบอกบุญกรรมในอดีตจะเป็นลอยละคือลอยละสามจุสามจุดสามสามบุญกรรมกรรมดีกรรมชั่วแล้วแต่นะครับส่วนที่สองมาจากพ่อแม่ที่อาจารย์ว่าพ่อแม่ ร้อยละสามจุดสามจุดสามสามพ่อพ่อแม่นี่ยมันเป็นคนที่ถ่ายทอดรหัสทางพันธุกรรม DNA นะยิบสามยี่บสามกับยี่สิบสามพ่อย3ิบสามคู่ DNA รหัสแล้วก็แม่ย3ิบสามมาเป็นรองและส่วนที่สามก็คือสุดท้ายก็คือในเรื่องของร้อยละสามจสามเหมือนกันก็คือับปัจจุบันว่าคำดีคำชั่วที่เราทำไปเนี่ย ที่เราสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาใช่ใช่ครับทีนี้ผมถามว่าส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองถ้าเกิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยแต่ส่วนที่สามนั้นปัจจุบันเนี่ยที่เราทําดีดูแลเด็กดีฟื้นฟูเด็กให้เป็นคนดีมีคุณธรรมปบำมัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กเป็นคนดีมันจะช่วยได้ไหมครับกรำส่วนที่หนึ่งที่สองไม่ดีมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตที่ดีขึ้นไหมครับคืออธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ที่จับต้องได้ที่เป็นรูปธรรมหน่อยปัจจุบันเนี่ยเร า, เารู้จักกันมากเกี่ยวกับเรื่องของชะตาชีวิตผ่านหมอดูโหราศาสตร์นะฮะผ่านหลักการลายมือผ่านหลักการในปัจจุบันเนี่ยมีกระทั่ง DNA นทีนี้ย้อนกลับไปตอบของอคำถามของท่านฐานิษถามว่ากรรมใหม่เนี่ยเราทำไปทั้งชีวิตเนี่ย ไปเปลี่ยนดีเอได้ไหมไปเปลี่ยนลายมือได้ไหมนะคือลายมือนี่จริงๆก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเนะคนไม่ค่อยสังเกตมันเปลี่ยนไปตามกรรมนะคือคุณลองไปสังเกตดูก็ได้ผมผมไม่สามารถมาแจกแจงได้หมดเส้นบางเส้นอย่างเช่นเส้นสมองเนี่ยถ้าคุณเรียนรู้อะไรใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันแตกต่างไปนะ ซึ่งนั่นเป็นเป็นผลจากการที่สมองเนี่ยมันมีกระบวนการต่างแตกต่างไปซึ่งซึ่งเขาสามารถที่จะสังเกตได้ง่ายถ้าหากว่าจะไปวิเคราะห์สมองแต่มันมีผลทางลายมือด้วยนี่สิเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ประหลาดนะแล้วการที่เรา อ, อย่างท่านฐานิษบอกว่าสามสิบสามเปอร์เซ็นตเป็นพ่อแม่ของเราเนี่ยกรรมของเราสามารถเปลี่ยนพ่อแม่ได้หรือเปล่า มันเปลี่ยนได้นะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าถ้าพ่อแม่เป็นวิชฉาทิฐิแล้วเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นสัมมาทิฐิได้นั่นเรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่สมน้ำสมเนื้อกานที่ท่านทำให้เรามีเลือดเนื้อเกิดมาบุญอย่างอื่นถึงแม้ว่าจะไปตอบแทนท่านด้วยวิธีแบกท่านขึ้นบ่าให อุจจระปัสสวะอยู่บนบ่าของเราตลอดร้อยปีก็ไม่ชื่อว่าเทียบเท่าสมน้ำสมเนื้อกับที่ท่านให้เลือดเนื้อกับเรามานะสิ่งที่เป็นกรรมใหม่ของเราถ้ามันเป็นไปนในทางสัมมาทิฏฐิแล้วมันเปลี่ยนอะไรได้หลายอย่างเหลือเกินมันกลับไปแก้กรรมเก่าไม่ได้แต่ว่าเปลี่ยนพ่อแม่ของเราได้พ่อแม่ของเราคือรากของตัวความเป็นตัวเรานะคือสิ่งที่เราสามารถย้อนกลับไป ระลึกได้ว่าตัวตนของเราของใหม่เนี่ยมันเริ่มมาจากตรงนั้นถ้าเราสามารถเปลี่ยนพ่อแม่ของเราให้ดีขึ้นได้จะด้วยวิธีการเป็นแรงบันดาลใจให้พวกท่านเอาความสงบไปเปื่อแผลพวกท่านหรือเอาธรรมะไปให้พวกท่านได้เกิดความสว่างตามก็แล้วแต่นะตรงนั้นเรียกว่าการทําให้รากความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันมีความเจริญคนที่ ไปบำรุงรักษาพ่อแม่เอาแค่ตอบแทนในแบบที่ทําให้พวกท่านมีความสุขมีชีวิตที่สะดวกสบายพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญว่าจะเป็นผู้เจริญอยู่แล้วทําให้รากเจริญรากของชีวิตเจริญชีวิตเราก็จะเดินตามไปด้วยแล้วถ้าหากว่ากรรมใหม่ของเรามันใหญ่พอที่จะทําให้พวกท่านอนุโมทนาแล้วอยากเจริญรอยตามยกตัวยอย่างเช่นไปบวชแล้วเกิด อความสงบเกิดความเป็นพระให้ท่านจําขึ้นมาว่าเนี่ยลูกชายเราเราให้กําเนิดพระขึ้นมารูปหนึ่งให้กําเนิดพระดีขึ้นมารูปหนึ่งในโลกนี้ความชุ่มชื่นใจแบบนั้นมันยิ่งใหญ่มหาศาลเนี่ยเป็นบุญที่สามารถทําให้ท่านถึงสวรรค์ได้จริงคือแค่ระลึกก่อนตายเนี่ยว่าลูกชายของเราเป็นพระดี แค่เนี้ยคือช่วงเวลาสั้นๆนะจะบวชสักพรรษาหนึ่งสองสาเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าติดอยู่ในความทรงจำแน่นพอแค่ระลึกก่อนตายนะจิตมันเป็นมหาอุสลมันตายลงพร้อมกับความสว่างได้เพราะฉะนั้นคำที่ผมตอบท่านฐานิตก็คือว่ากรรมใหม่ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ของเราได้กรรมใหม่ของเราเปลี่ยนรากความเป็นตัวของเราได้ มันก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางให้ชีวิตข้างหน้าเนี่ยนะมันแตกต่างไปจากนี้แค่ไหนก็ได้นะครับขอบคำถามต่อไปครับเชิญเลยนะครับเพราะว่าโอกาสทองฮะเชิญครับาพอไอทีฮะขอบคุณครับแาจครับลูกควรถามก่อนนะครับเพราะผมก็ยังนับว่าเป็นบัวที่ยังไม่พ้นน้ำมานะครับเอ่อ ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราทำดีใช่ไหมครับสภาพแวดล้อมที่อยู่ทั้งหมดมันมีผลต่อการปฏิบัติแล้วสิ่งที่มันจะเกิดตอบกลับกับเราครับมันมันมันจะดีตามที่เราคือขอให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันนะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นมีคลื่นบวกกับคลื่นลบหรือเป็นแสงสวา่าง หรือต้นกําเนิดความมืดนถ้าถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยกําลังทําให้โลกนี้สว่างขึ้นหรือว่ามืดลงอยู่ทุกวันตัวสภาพแวดล้อมเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมานะถ้ามันมีอิทธิพลเหนือเรามันจะหล่อหลอมเราคือพูดง่ายๆเราตกมาอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีตัวเราจะไม่ดีตามแต่ถ้าเราแกร่งพอแล้วเราทนนาน คือถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเราไม่ได้สภาพแวดล้อมจะค่อยๆถูกเราเปลี่ยนนี่คือหลักการธรรมชาติเลยนะไปเปรียบเทียบกับวัตถุชนิดไหนในธรรมชาติก็ได้มันเป็นแบบนี้ตอนแรกสภาพแวดล้อมหลักสามารถกลืนในสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาอยู่ในมันแต่ถ้าไม่สามารถกลืนสิ่งแหวไอสิ่งที่แปลกปลอมนั้นได้สิ่งแปลกปลอมนั้นจะกลายเป็นตัวแปรใหม่ เปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ค่อยๆต่างไปคือจะต่างแบบเฉียพลันทันทีหรือว่าจะค่อยๆทีละน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลคือตัวคลื่นเนี่ยมันจะมีไวเบเดชันแค่ไหนมันจะมีแรงสะเทือนมันจะมีแรงส่งกระเพื่อมออกไปได้ไกลแค่ไหนนะตัวความเป็นคลื่นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คำอุปมาอุปไมยเพราะวิทยาศาสตร์รู้แล้วนะว่า วัตถุทั้งหลายเนี่ยสสารเนี่ยมันก็คือพลังงานที่มันมากระจุกตัวกันอย่างหนาแน่นจิตวิญญาณก็เหมือนกันคือจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่สามารถเข้ามาอยู่ในสมการสสารและพลังงานแต่จิตวิญญาณเป็นแก่นเป็นศูนย์กลางทีเดียวยที่ควบคุมให้สาสารและพลังงานเป็นไปอย่างไรทุกวันนี้มีการทดลองนะถ้าเอาน้ํามาเนี่ยถ้าผมสวดมนต์อิติปิโสพร ว, วาหลังสัมมาเนี่ย คุณเชื่อไหมโมเลกุลของน้ำมันต่างไปมีการทดลองกันมาซึ่งซึ่งยังยังเป็นที่โต้แย้งกันอยู่ก็จริงนะแต่ว่ามีการบันทึกมีการทำเ ป, ปเปอร์มีการวิจัยออกมาเนี่ยต่อเนื่องหลายปีแล้วว่าโมเลกุลของน้ำเปลี่ยนไปได้จริงถ้าหาว่าคุณพูดดีหรือว่าสวดมนต์ใส่มันเหมือนกับที่มีการเอาไปเสกน้ำมนต์เนี่ยที่พระเกจินี่ยสวดน้ำมันสว่างขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่ความรู้สึกเนไง กล้องที่ถ่ายออราได้หรือว่ามีวิธีตอนนี้มันเริ่มมีวิธีที่หลากหลายมากขึ้นมีการพิสูน์ว่าอย่างน้อยที่สุดโมเลกุลของนั้นต่างไปนี่เรื่องคลื่นสิ่งที่เรานึกว่าเป็นรูปธรรมแข่นแข็งเปลี่ยนแปลงไม่ได้แท้ที่จริงแล้วเป็นแค่คลื่นอะไรอย่างหนึ่งถูกสั่งจากจิตของเราได้ให้สว่างขึ้นหรือว่าให้มืดลงในองค์กรก็เหมือนกันเวลา ที่คุณจะดูว่าองค์กรองค์กรหนึ่งนะมีแนวโน้มที่จะก่อกรรมทำดีหรือว่าทำชัว่วเขาให้ดูที่ตัวหัวถ้าตัวหัวนะคือจัดสัมมนาจัดอบรมเรื่องธรรมะบ่อยๆก็เป็นไปได้ที่องค์กรเนี่ยจะสว่างขึ้นคือมีแนวโน้ม ที่คนในองค์กรเนี่ยจะคิดไปในทางที่ดีขึ้นอันนี้มันมันชัดเจนเป็นเป็นเหมือนกับรูปธรรมนะที่ว่าถ้าหัวหน้าองค์กรมีความชอบธรรมะก็เหมือนกับธรรมะจะแผ่กระจายออกไปหาคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนกว่า น, นั้น ถ้าคนในองค์กรมีความแข็งขืนกับธรรมะคือไม่พร้อมที่จะรับธรรมะไม่มีความสว่างที่จะรองรับอความนุ่มนวลจากธรรมะเนียความพยายามของหัวหน้าองค์กรเนี่ยก็จะล้มเหลวแล้วตัวหัวหน้าก็จะถูกสภาพแวดล้อมเนี่ยขับออกไปนี่มันเป็นแบบนี้มาตลอดนียคือถ้ามาเปลี่ยนไม่สําเร็จ ตัวเองก็จะต้องถูกขับออกไปนนี้ก็ตอบคำถามนะครับครับมีคำถามฝากมาท่านอาจารย์ครับดูแลบุตรหลานในบ้านก็แย่อยู่แล้วฮนะยังต้องมาดูแลเด็กมีปัญหาและต้องดูแลพวกเขาทุกวันขอแง่คิดในเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อการทำงานมีความสุขครับถ้าจุดมุ่งหมายของคุณตั้งต้นด้วยการมาทำงานเพื่อรองเงินเดือนคุณจะรู้สึกอย่างนั้นแหละแต่ถ้า คือมันอยู่ในใจของคุณจริงๆว่าฉันมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นให้ดีขึ้นเวลาที่คุณมาถึงที่ทำงานเนี่ยคุณจะมองตัวปัญหาต่างไปนะคือความรู้สึกเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในที่ทำงานเนี่ยมันเป็นมันจะเป็นอะไรที่ท้าทายขึ้นทันทีแล้วทำให้มีความกระตือรือร้นขึ้นนะรู้สึกว่า เ, เขาไม่ใช่ผาระแต่เป็นบททดสอบ ว่าคุณจะทำสิ่งที่อยากจะทำสำเร็จไหมนะมันยิ่งพูดง่ายๆว่ายิ่งเด็กมีความยากที่จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเพียงใดเวลาคุณเปลี่ยนเขาได้คุณจะรู้สึกมีความประสบความสำเร็จเหมือนคนชนะในเกมใหญ่เหมือนชนะในเกมยากนะการเลี้ยงดูบุตรหลานในบ้านก็เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเหนื่อยหมด มันเป็นเรื่องที่ยากนะที่จะทําให้เด็กค่อยๆโตขึ้นมาทีละวันทีละวันแล้วก็จะบอกว่าคุณจะมีความสุขกับความน่ารักของพวกเขาอย่างเดียวมันไม่ใช่มันมีความสนมันมีความแก่นมันมีความดือ้อมันมีความมันมีแรงต้านที่คุณรู้สึกได้คุณต้องออกแรงประเด็นก็คือคุณจะปล่อยให้ตัวเองใช้ชีวิตไปวันๆ ตามธรรมชาติความรู้สึกแบบคนธรรมดาหรือว่าคุณจะทําให้เกิดความคิดแบบพิเศษขึ้นมาในหัวตัวเองว่าคุณไม่ได้แค่แบกภาระแต่คุณกําลังจะทําให้ชีวิตของใครบางคนเปลี่ยนแปลงไปแตกต่างไปดีขึ้นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดคือลูกหลานในบ้านถ้าคุณไม่คิดแค่ว่าจะทําให้เขาโตขึ้นแต่คุณคิดว่าจะทําให้เขาเป็นผู้ใหญ่ ที่มีความใหญ่มากพอจะทำให้โรคนี้ต่างไปโจทย์ของคุณเนี่ยจะทำให้คุณกระตือรือร้อนมากขึ้นความคิดที่พิเศษจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างแล้วก็พิเศษตามมาเสมอนะแต่ความคิดแบบคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันวันมันจะก่อให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายจำเจซ้ำซากแล้วก็เหลือทนในที่สุดนะครับ รีบถามครับท่านครับเที่ยงแล้ครับให้เวลาอีกสิบห้านาทีครับท่านได้ไหมท่านครับได้ครับเชิญด<า>้วยความยินดีครับเพราะว่าเขาบอกว่าทานอาหารกลางวันแล้วกลับเข้ามาในห้องเนี้บ่ายโมงสิบห้านาทีที่ทานอาหารกลางวันก็คือที่เดิมนะฮะเดินไกลมากแต่พวกนี้เปลี่ยนนะฮะห้องนี้ครับห้องนี้พวกนี้ห้องนี้นะฮะทั้งเบรกทั้งอาหารกลางวันห้องห้องตรงข้ามเราเลยนะครับเชิญครับโอ้โหออออสองคอเลยฮะ ดิงเขาคงต้องหลายข้อนะครับเพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้ที่จะมีผู้มาชี้แนะชี้นาความคิดหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการเปร็นติงานเนี่ยยากนะครับก็ต้องใช้โอกาสนะครับให้มากที่สุดต่อไปเดนที่ว่ามีคนที่ไปทำบุญ ร, ร่วมกันนะครับไปรถบัสคันเดียวกันแล้วเกิดอุบัติเหตุตอนกลาวจุดตรงนี้นะครับบางท่านอาจจะจะเคยได้ยินข่าว เราควรท่านอาจารย์ช่วยแนะแนวทางในความคิดว่าโอเคก็ okay. ถือว่าพูดซ้ำและกันเพราะเมื่อกี้คุยได้คุยกับท่านผอออไปนะฮะท่านผอ อ, อ, อ, อ, อก็บอกว่ามันเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยเอ๊ะไปทำบุญทำไมถึงตายไม่ดีนะสภาพศพเขา่าตายไม่ดีแต่คนเนี่ยมองไม่เห็นแล้วว่าจิตวิ ญ, ญญาณเขาดีหรือไม่ดี เวลาที่ไปทําบุญเนี่ยคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนแก่นะเวลาที่คุณได้ข่าวหน้าหนึ่งว่ารถบัสทัวร์ทำบุญเนี่ยตกเนี่ยมันแปลกนะมักจะมีคนแก่ๆที่อยู่ในรถบัสตรงนั้นนะคุณเห็นสภาพศพหน้ า, าเนอานณะ ด, ด้วยตาเปล่าแต่คุณไม่สามารถสัมผัสได้โดยใจว่าจิตวิญญาณของคนแก่เหล่านั้นเนี่ยมีสภาพหน้ า, าเนอานาะหรือว่าหน้าชื่นชมกันแน่ ขอให้คุณคิดดูนะพวกคุณเวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนส่วนใหญ่ก็คิดด้วยเปลื่อยเรื่องโน้นเรื่อง น, อ น, องนี้แล้วก็มักจะคิดถึงปัญหาของตัวเองคิดถึงสิ่งที่ตัวเองอยากได้มันเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างมืดมื ด, ม, ดมัวมวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าคุณกําลังอาฆาตแค้นใครบางคนอยากเอาคืนแล้วคิดอยู่ตลอดการเดินทางว่าจะเอาคืนยังไงดีจะเอาคืนยังไงดี เขาเรียกว่าจิตเต็มไปด้วยอกุศลจิตเต็มไปด้วยความมืดบอดแต่เวลาที่ทัวร์ทำบุญเนี่ยนะเดินทางกําลังจะไปถึงวัดหรือเพิ่มออกจากวัดมาเนี่ยคุณลองนึกดูนสภาพเความนึกคิดของคนเนยจะนึกถึงอะไรกันโดยมากก็ต้องนึกถึงวัดสิใกล้จะถึงวัดแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวจะต้องสํารวมขึ้นนะเดี๋ยวจะต้องเออจะเตรียมของมาถวายอะไรบ้างจะนึกถึงสิ่งที่ ตัวเองกํำลังจะทําในทางที่ดีจิตมันจะเป็นกุศลและโอกาสตายไหนที่มันดีไปกว่าโอกาสที่กําลังเป็นกุศลบางทีนะเราคิดไม่ถึงนเห็นสภาพศพอเนกอนาฏเนี่ยนึกว่านี่แบบนี้เนี่ยก็เป็นผลบุญละสินะเป็นผลของบุญที่ทําให้ตายไม่ดีเด็กรุ่นใหม่ก็มักจะเห็นแล้วหัวเราะกันบุญกรรมมีที่ไหน แต่ถ้าเขาได้เห็นสภาพศพได้รู้สึกถึงอะไรที่อยู่ตรงนั้นเนะมันจะไม่ใช่นะมันออร่าที่ออกมาอจากศกเนี่ยมันจะไม่ใช่ความรู้สึกที่สยดสยองหรือว่าเอรู้สึกแย่จังรู้สึกว่าอืมน่าสงสารแต่มันจะเป็นความรู้สึกว่าเออสภาพบริเวณนะมันให้ความรู้สึกสว่างที่แปลก ที่มันประหลาดกว่าสภาพศพแบบอื่นๆในศพอนาตกรรมแบบอื่นๆถ้าคุณเคยเข้าไปอยู่ในสถานที่จะรู้สึกนะแล้วมันน่าแปลกไหมว่าเอ่อไอ้ที่ตายกันยกรถเนี่ยมักจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเนี่ยทัวร์ทาบุญมันมันทัวร์อื่นๆนี่ไม่ค่อยจะมีแบบนี้กันนะก็อาจจะเป็นเรื่องของการถึงเวลาถึงเวลาเหมาะสม ที่บุญจะแสดงตัวไม่ใช่แสดงด้วยการที่ทําให้ตายนะแต่แสดงด้วยการที่ทําให้เปลี่ยนสภาพจากอะไรที่นะคนแก่ลําบากไหมนะนะขยับเนื้อขยับตัวก็ไม่ค่อยสะดวกคิดอ่านอะไรก็ไม่ค่อยจะหัวไม่ค่อยจะแล่นเปลี่ยนไปเป็นอีกสภาพหนึ่งที่มันดีขึ้นเหมือนคนย้ายบ้านใหม่เหมือนคนที่หายป่วยเหมือนคนที่ เลอกถูกพันธนาการด้วยความเหี่ยวแห้งแต่ไปมีความเป็นอิสระในที่ที่มันชุ่มชื้นกว่าตรงนี้เราพูดไปมันก็จะจบตรงที่ว่าเอาอะไรมาพิสูจน์ตรงเรื่องของการพิสูจน์นะพุทธศาสนาเราบอกว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่เรียกว่าปัจจตังมันรู้เฉพาะตนหรือไม่ก็คนที่ มีความสามารถอย่างรู้จิตใจผู้อื่นหรือมีตาทิพ์มองเห็นทะลุพบหรือมิตินี้ที่มันเป็นห ย, ยาบๆบนี้ไปไปเห็นอะไรที่ละเอียดขึ้นแต่ถ้าเรายังมองไม่เห็นก็ขอให้คิดง่ายๆกันแล้วกันว่าตอนตายอย่างกำลังสบายใจตอนตายอย่างกำลังสว่างจิตกำลังดีเนี่ยมันเป็นศกนาตกรรมทางจิตวิญญาณด้วยหรือเปล่าหรือว่า มันเป็นสุขนาตกรรมทางวิญญาณกันแน่มีัำถามหนนะึ่งฮะพอห้ามถามแล้วสองแล้ว ค่ะอาจารย์คะขอถามธรรมะในรูปแบบ Howto นะคะว่าทํายังไงคะอาจารย์ที่เราจะทําให้ทีมงานของเราอะ่ะมีความรู้สึกพิเศษในที่อาจารย์ว่าคะ่ะถ้าเด็กเดินเข้ามาปุ๊บเราอยากจะให้ทีมงานเราเห็นว่าเราต้องการจะช่วยเหลือเด็กไม่ใช่ซ้าเติมขเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเป็นแบบ Howto ให้เอาไปใช้ได้เลยคะ่ะเอาแบบสเต็ปบายสเต็ปนะก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ก่อนนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยนึกได้ว่าตัวเองก็เคยทําผิด ทำอะไรเรื่องน้าอับอายมาก่อนแล้วนะคิดทีไลมันเสียวฟันทุกทีนะว่าโอ้โหอยากจะกลับไปย้อนเวลากลับไปได้อยากจะไปแก้ไขนะแล้วถ้าเราสามารถที่จะออปรับความรู้สึกตัวเองนะว่าไอความผิดที่ผ่านมาแล้วเนี่ย ฐานความผิดนั้นน่ะคือความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ที่จะไปทําผิดแบบนั้นยังมีอยู่ในเราหรือเปล่าถ้ามันมีอยู่มันจะเกิดวูบความรู้สึกอยากแก้ตัวขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่มีอีกแล้วมันจะเกิดวูบความรู้สึกว่าเออเป็นคนละตัวกันแล้วไ อ, อ้ตรงนี้สําคัญมากคือถ้าเราสามารถรู้สึกได้ว่าตัวเราเคยผิดแล้วเราตอนนี้แตกต่างไปแล้วนะมามาดิสคัสกันมาพูดกันมามาคุยกันเน้นเกี่ยวกับประเด็นนี้นะ มันมันจะ เ, ออเกิดทัศนคติแบบใหม่ขึ้นมาว่าความผิดไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ถึงแม้ว่าไอเนี้ยที่พูดเนี้ยนะจริงๆแล้วมันต้องมีเวิร์คช็อปคือไปมีเวิร์คช็อปกันเองเนี้ยว่าต่างต่างคนต่างเล่าเล่าให้ฟังว่าเคยทำผิดอะไรมาบ้าง ไอ้ความผิดที่แบบนึกขึ้นมาทีไรรู้สึกแย่กับตัวเองทุกทีมีความทุกข์มากๆทุกทีนะสมัยนี้นะอันนี้อันนี้พูดแบบยกตัวอย่างนะฮะสมัยนี้เนี่ยจะมีการประพฤติผิดศีนข้อสามกันเยอะแล้วหลายคนเกิดความรู้สึกวแบบ่าไม่แทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเพียงแค่นึกถึง้เหตุการณ์วันนั้นน่ะทำไปได้ยังไงก็ไม่รู้ แล้วก็กลายเป็นตราบาปกลายเป็นแผลซ่อนอยู่ในจิตใจคือถ้าหากเราเอาประเด็นพวกนี้เนี่ยมาคุยกันได้คือไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าเป็นความผิดประเด็นนี้แต่บอกว่าเนี่ยตัดสินใจพลากไปแล้วก็นึกถึงบุคคลที่เราไปร่วมกระทำผิดกับเขาเนี่ยขึ้นมาทีไรรู้สึกราวกับว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมเป็น เ อ, อเพื่อนนักโทษที่กระทําความผิดร่วมกันคือนักโทษทำความคิดคือปิดคุกทำความคิดอยู่ด้วยกันมันรู้สึกว่าไม่เป็นอิสระอยู่ด้วยกันนี้ถ้าหากว่ามีความเอาความผิดของหลายๆคนมาคุยกันมา d i ส c u s กันแล้วตั้งคําถามตั้งโจทย์ร่วมกันว่าเฮ้ยไอ้ตัวตนแบบเนี้ยมันยังอยู่หรือเปล่า มันยังสามารถที่จะทําทผิดแบบแบบแบบเดิมแบบวแบบันนั้นเนี่ยได้อีกลุบแล่าถ้ายังยอมรับว่าพี่มันมีสิทธิ์ก็บอกว่าโอเคเรามาปฏิญาณร่วมกันให้กําลังใจแก่กันแล้วกันคือมันจะเกิดกลุ่มกําลังขึ้นมาจริงๆนะถ้าถ้าคุยกันเนี่ยบอกว่าจะไม่ทําอีกคือช่วยกันตั้งใจว่าอจะไม่ทําแบบนั้นอีกมันจะก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอยู่คนเดียว เราไม่ได้บ้าอยู่คนเดียวมีคนอื่นเนี่ยช่วยกันก่อไอ้ทุนของกำลังใจคือพอเอากำลังใจหลายๆคนมารวมกันเนี่ยนะมันกลายเป็นกำลังใจกองใหญ่ขึ้นมาหรือถ้าหากว่าความผิดที่เคยทำไปเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วในวันนี้คือหมายถึงกำลังใจที่จะทำแบบนั้นอีกหรือว่าอารมณ์ฐานฐานของกรรมเนี่ยมันหายไปแล้วเราก็ มาพูดร่วมกันมาคุยร่วมกันว่าเออไอความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ตัวตนหนึ่งตอนนี้มันกลายเป็นอีกตัวตนหนึ่งแล้วคาว่าตัวตนเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่รูปร่างนาะตาชื่อนามสกุลมาจากวงวานไหนแต่มันนับกันที่ความตั้งใจทำความตั้งใจว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะเกื้อกูลกับโลก ถ้าหากว่าตัวตนของเรามันเป็นไปในทางเกื้อกูลแล้วก็ไม่ควรจะใส่ใจไอ้ตัวตนที่เคยอยู่เพื่อเบียดเบียนควรจะเอาเวลาเนี่ยมาโฟกัสควรจะเอาเวลาเนี่ยมาเพิ่มความสามารถในการเกื้อกูลโลกให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี้พอกลุ่มเวิร์กช็อปเนี่ยที่ได้คุยร่วมกันในลักษณะนี้เนี่ยนะมันเกิดกำลังใจขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่ ไม่ได้ทําอยู่คนเดียวนะไม่ได้คิดไปเองอยู่คนเดียวนะมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตขึ้นมาได้จริงๆแล้วสามารถรวมกําลังกันได้ทัศนคติเวลาที่คิดถึงเด็กมันก็จะคิดว่าเออมันมันจะคิดถึงตอนเวิร์กช็อปแต่ตัวตนแบบของเด็กเนี่ยคือวันเนี้ยมันเหมือนเปลี่ยนไม่ได้แต่ถามว่าถามจริงๆว่าถ้าให้เปลี่ยนเนี่ยถ้ามีวิธีที่ฉลาดพอมันเปลี่ยนได้ไหม เวลาเราไปคุยกับเขามันจะคุยด้วยอีกวิธีหนึ่งคือไม่ใช่คุยด้วยทัศนกติไอ้นี่เร็วไอ้นี่มันเคยไปข่มขืนเข้ามาไอ้นี่มันอยังมนอย่างงี้แต่เราจะคุยด้วยทัศนกติว่าถ้าหากว่าเราอยังคิดแย่ๆกับเขาไม่มีทางที่จะเอาความคิดแย่ๆออกจากหัวเขาไ ด, ไ, ดได้เด็ดขาดเราจะเกิดทัศนคติว่าความคิดที่มันเป็นบวกของเรามันสามารถที่จะไปทาให้ ความคิดที่เป็นลบของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันแตกต่างวความคิดที่มันแตกต่างไปในหัวคนคนเดียวเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะทําให้โลกนี้ดีขึ้นแค่ไหนอย่างเวลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าศีลท่านเรียกว่าเป็นมหาทานเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อตั้งใจเราแค่คนเดียวนะนะคิดว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนไม่ไปโกงไม่ไปผิดลูกปิดเมียใครเขาเนี่ยความคิดนี้เกิดขึ้นในหัวเราจริงๆแค่หัวเดียวเนี่ยนะมันทำให้สัตว์มากมายไม่ต้องตายมันทำให้ข้าวของของคนเนี่ยได้อยู่กับตัวเขาไม่ต้องจากเขาไปไหนนะไม่ต้องจากเจ้าของไปไหนมันทำให้ลูกเขาเมียใครเนี่ยที่มันเขาดูแลอยู่เนี่ยไม่ต้องมาเสียใจไม่ต้องมาเกิดอาการบาดเจ็บ เพราะฉนี้มันอยู่หลายปีถ้าเราอยู่แบบไม่มีศีลเราเบียดเบียนคนได้ไม่จํากัดไม่รู้ว่ากี่ร้อยไม่รู้ว่ากี่พันแต่ขณะเดียวกันถ้าเรากั้นความคิดไว้ว่าจะรักษาศีลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่รอดจากอันตรายในตัวเราเนี่ยมันจะมีประมาณเท่าไหร่นี่แหละตรงนี้แหละนะถ้าเราสามารถเอาสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมไปอยู่ในหัวของเด็กคนหนึ่งได้ เราไม่รู้ว่าจากคนที่เคยเลวมากๆเนี่ยมันจะดีได้แค่ไหนอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเคยมีบาทหลวงเนี่ยเคยฆ่าคนมาแค่คนเดียวนะแล้วเสียใจทุกวันจนทนไม่ได้อยากตายแต่แทนที่จะตายเนี่ยก็เปลี่ยนมาเอาชีวิตที่เหลือเนี่ยไปช่วยคนอื่นจากที่เคยฆ่าคนคนเดียวช่วยชีวิตคนได้เป็นพันเป็นหมื่นนั่นแหละคือสิ่งที่แตกต่างนะ ครับคิดว่าช่วงสุดท้ายแล้วล่ะครับเพราะว่าเวลาล่วงเลยเยอะแล้วนะฮะก็อยากจะกลับมนเชิญท่านอาจารย์ได้ให้ข้อคิดเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับพวกเรานะฮะจริงแล้วในโอกาสหน้าเราคงต้องของการเชิญท่านอาจารย์อย่างแน่นอนนะครับขอการเชิญท่านอาจารย์ครับเวลาเราพูดเรื่องกรรมเนี่ยมักจะนึกว่าพูดเป็นเรื่องล้าสมัยแต่จริงๆแล้วเรากําลังพูดถึงสิ่งที่มันกําลังเป็นตัวเรานี่แหละน ะ, ะพระพุทธเจ้าตรัสว่า กรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมส่วนผลของกรรมเนี่ยมันมองกันไม่เห็นมันไม่สามารถโยงกันถูกนะว่าเคยไปทำกรรมอะไรมาถึงหน้าตาแบบนั้นแบบนี้เคยไปทำกรรมอะไรมาชตากรรมมันถึงได้หดรายนักชะตากรรมมันถึงได้เออบางคนนี่น้าอิจฉาเหลือเกินนะลักษณะของจิตที่ไม่สามารถเชื่อมโยงนะว่าทำกรรมใดมาได้รับผลกรรมใด ในเวลาต่อมาเนี่ยมันคือลักษณะจิตที่ไม่รู้ที่เรียกว่ามีอวิชชาปิดกัน้นอวิชชาเนี่ยนะมีอยู่สามอวิชชาอวิชชาที่ไม่รู้ว่าอดีตเคยไปทำอะไรมาถึงมาเป็นแบบนี้เนี่ยจัดเป็นหนึ่งในอวิชชาทั้งสามเรายังไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ตั้งความศรัทธาไว้ก่อนเริ่มจากการสังเกตอย่างที่ผมให้หลักการวันนี้ ถ้าหากคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นให้ดีขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นสัญญาณบอกอันดับแรกก็คืออารมณ์ของคุณจะอ่อนโยนลงนะแล้วคุณมีความสุขมากขึ้นมากพอที่วิธีคิดของคุณจะแตกต่างพอวิธีคิดแตกต่างไปนานๆเข้าจิตใจมันจะเริ่มมั่นคงในแบบที่เป็นกุศลแล้วถ้าหากว่าจิตใจของคุณมีความสว่างจนคุณรู้สึกเหมือนกับโลกมันสว่างโลกมันเปิดขึ้นมาออกมาจากภายในนะฮะอย่างนี้คุณจะรู้สึกว่า ้ออรัศมีความเป็นคุณหรือว่าออร่าเนี่ยนะมันแตกต่างจากออร่าเดิมที่จะสวยหรือว่าจะโชคดีวันไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับมีสิ่งปกปักรักษามันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตคุณมีอะไรบางอย่างกำลังทำให้ปลอดภัยแล้วก็ประสบแต่อะไรดีๆนะลักษณะที่ มันสังเกตเข้ามาถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างนี้จะก่อให้เกิดกําลังใจมากขึ้นมากขึ้นวันต่อวันแต่ถ้าคุณไปคาดหวังแบบคนไทยนะว่าทําดีแล้วมันจะได้ดีทันทีทําดีแล้วจะถูกหวยนะฮะหรือว่าทําดีแล้วจะได้มีคนมารักคนดีๆมารักหรือว่าไอคนที่น่าเกลียดน่าชาังมันจะกระเด็นหายไปจากชีวิตคุณความคาดหวังแบบนี้มันจะทําให้คุณ เสื่อมจากศรัทธาในเรื่องของผลแห่งกรรมเพราะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นมันอาจจะมาซ้ำเติมด้วยซ้ำานะบางทีเนี่ยคุณทำดีมากๆไปถวายสังฆทานก็แล้วไปปล่อยมกปล่อยปลาก็แล้วนะเยังโดนคนที่บ้านด่าว่าอยู่ดีหนะหรือว่าเจ้านายทำหน้าบึ้งตึงใส่ไม่เลื่อนขั้นให้อะไรแบบนี้นะมันไม่ใช่ผลของกรรมใ้สิ่งที่ คุณคาดหมายเนะี่ยสิ่งที่คุณคาดหมายเขาเรียกว่าลาบลาบลอยนะหรือว่าไอ้ถ้าถ้าจะพูดยงกับเรื่องของวิบากกรรมจริงๆก็คือวิบากนั้นต้องถูกวางแผนไว้อยู่แล้วจําไว้ว่าอะไรที่มันปรากฏเป็นชะตาสําคัญมีผลกระทบกับชีวิตคุณยอย่างชัดเจนเนี่ยนะยกระดับชีวิตคุณได้กดให้ชีวิตคุณตกต่ำลงได้ทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขขึ้นได้หรือว่ามีความทุกข์ลงไปได้เนะี่ย จำไว้มันถูกออกแบบมาจากวิบากนะอย่างถ้าคุณลองนึกดูคนสักคนหนึ่งเคยกลนบ้านกงเมืองมาตลอดทั้งชีวิตแล้วเกิดมาใหม่เนี่ยทำสังฆทานทีเดียวเลิกซวยอย่างเงี้ยนะะมันไม่สมน้ำสมเนื้อคือคนเวลาที่เชื่อเรื่องกรรมแววิบากเนี่ยมักจะเชื่ออะไรแบบที่ว่าเออถ้าเชื่อแล้วเนี่ยให้ไปทำบุญแล้วก็ อะไรอะไรมันจะดีขึ้นชะตาชีวิตมันจะดีขึ้นมันไม่ง่ายแบบนั้นนะเอาละผมขอฝากไว้ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามคุณกำลังมีโอกาสที่จะทำบุญใหญ่มากกว่าคนอื่นๆในประเทศส่วนส่วนมากเนะี่ยอย่างครูเนี่ยตามสถานศึกษานะจะต้องมีนักเรียนเข้ามาถูกบังคับให้เข้ามานั่งฟังอยู่แล้ว หรืออย่างอย่างผมเองเนี่ยจริงสิ่งที่ผมทํามาตลอดเนี่ยก็อย่างเช่นอคิดเขียนเผยเผยแพ ร, ร่ธรรม ะ, อะของพระพุทธเจ้าเนี่ยทําตัวเป็นโกรกของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่เข้ามาฟังส่วนใหญ่ก็เต็มใจจะมาฟังอยู่แล้วคือมันไม่ต้องออกแรงมากอแต่พวกคุณต้องทํายิ่งกว่าครูต้องทํายิ่งกว่าผมเนี่ยคือคนที่คุณจะเข้าไป เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไม่เต็มใจให้คุณเปลี่ยนนะคุณต้องออกแรงเป็นสองเท่าคุณต้องมีกำลังใจมากขึ้นกว่าครูหรือว่าคนที่เป็นหมอเนี่ยเป็นสิบเท่านะหมอเนี่ยคนไข้วิ่งเข้าไปหาเลยนะวิ่งเข้าไปขอร้องให้คุกเข่าให้รักษาเลยแต่พวกคุณเนี่ยนอกจากเขาจะไม่ขอร้องให้ช่วยรักษาเขาเขายังต่อต้านอีกด้วย ซึ่งกำลังใจชนิดไหนที่มันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันต้องมาจากน้ำใจแบบพระโพธิสัตว์คือมีความปรารถนาดีมีความหวังดีมีความอยากจะเปลี่ยนโลกคือคือเอาอย่างคำของสตีฟจ็อบเนี่ยมองมีแต่คนที่บ้าพอจะคิดเปลี่ยนโลกแนะ่ะที่จะเปลี่ยนได้จริงๆถ้าคุณไม่คิดว่าคุณอยากเปลี่ยนโลก คุณจะขายกําลังใจสําคัญชนิดหนึ่งไหมกําลังใจสําคัญชนิดที่จะเอาไปสู้กับแรงต้านการเปลี่ยนแปลงของเด็กเด็กทุกคนมีแรงต้านการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหมดดื้อเหมือนกันหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่กระทาความผิดมาแล้วถ้าคุณไม่มีกําลังใจมากพอที่จะไปสู้คุณไม่มีความคิดอยากเปลี่ยนโลกอยู่ในที่สุดคุณจะต้องตั้งคําถามว่าทํำยังไงถึงจะหายเบือ่อ ทำยังไงถึงจะหายเส็งจะเอากำลังใจมาจากไหนกำลังใจที่ได้จากการปลอบกันเองหรือว่าฟังแค่วิทยากรมาพูดครั้งสองครั้งเน่ะมันไม่ช่วยหรอกครับแต่ถ้าหากว่าคุณสามารถเพาะความคิดอยากเปลี่ยนโลกเข้าไปในหัวของคุณเองได้แล้วให้มันค่อยๆจเจริญงอก ง, งามขึ้นมาวันต่อวันอันนี้แหละที่มันจะทาให้คุณอยู่ตรงนี้ด้วยความรู้สึกชุ่มชื่นได้จริง แล้วคุณจะเปลี่ยนทัศนคติไปเองจากเห็นเด็กเป็นภาระเป็นเห็นเด็กเป็นแหล่งบุญยิ่งเขาเคยเป็นบ่อบาปที่ใหญ่มามากขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสทางบุญที่ใหญ่หลวงมากขึ้นเท่านั้นถ้าหากว่าความคิดของคุณมันงอกเงยขึ้นมาเป็นความอยากเปลี่ยนโลกนะจนกระทั่งตื่นขึ้นมาทุกวันมีไฟ รางวัลไม่ได้รอที่ชาติหน้าแต่ว่ารางวัลรอขึ้นมาทุกเช้าเมื่อคุณตื่นนอนครับขอบคุณครับกระดมพิธีและผู้กรองเด็กและประชชนต้องขอกราบพระคุณท่านอาจารย์สรันมิตรเวทนะครับที่ได้เมตตามาเป็นกำลังใจและก็ติดอาวุธรามวญญาให้กับพวกเราครับก็เราคงไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านไป ม, มากกว่าคาว่าขอบคุณครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับ ครับณวันนี้ขอกรับเชิญท่านทิวีกรมนิตร่วมครองเด็กและเยาวชนครับได้มอบของที่ลึกให้กับท่านอาจารย์ทรันครับขอกราบเชิญครับ